มาอมาเเป็นแล้วก no ็เลยเป็นเงียววนๆอยู่เพราะพูดอะไรก็วนเงี้ยเอเนเดี๋ยวให้โยบึปากแฉะนก่อนก็ก็เวลายก็เดี๋ยวพูดๆเข้าๆให้ฟังก็แล้วพอจะจับประเด็นประเด็นได้ก็คือว่าในในประเด็นที่เออเอ่อกรณนั้นก็เข้าช่วง ช่องช่องสามโมงครึ่ น, นก็คือเกี่ยวในเรื่องของอัตาวาทุปาทานังเนี่ยหรืออัตตาเนี่ยสภาพที่ยิ่งใหญ่ในเหล่าสัตว์เนี่ยที่บุคคลยึดมั่นด้วยความคิดคาดคะเนเองว่าเป็นอัตตาเนี่ยกลุ่มนักกิดทั้งหลายเนี่ยนะอย่างเราท่านทั้งหลายที่ไม่ได้มีสบายบัตรอะไรเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มนี้แหละคิดคาทะเนริเรียกว่าตาเป็นสิ่งที่มหาชนในโลกรู้จักว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชีวะเป็นโลกวิธีต่างๆก็สมมุติว่ามีพระเจ้าเนรมิตบ้างเกิดขึ้นโดยอาศัยพระเจ้าบ้างมีเหตุบ้างไม่มีเหตุบ้างขาดศูนย์บ้างเป็นต้นนีนะทีนี้การยึดมั่นของเราสัตว์ต่างๆเหล่านี้ยมีสักกายะทิถีเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยเนีเป็นประธานเป็นแกนหลักอยู่เนี่ยทีนี้ พอมาถึงตรงนี้ก็คือว่าสักกายะทิฏฐิที่บอกว่าบุคคลที่ยึดมั่นด้วยที่ด้วยทิฏฐิเนี่ยยึดมั่นด้วยทิฏฐิในบรรดาสักกายะทิฏฐิหรือเกี่ยวในเรื่องของทิฏฐิที่ไปสําคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นเหล่าเนี่ยนะที่จริงจะไปกล่าว แต่ก็เวลาเดี๋ยวขยายตรงนี้ก่อนก็แล้วกันขยายตรงนี้ก่อนเกี่ยวในเรื่องขความยึดมั่นเนี่ยถ้าพูดกันอีกทีทิฏฐิตัวนี้ก็เป็นที่ฐูปาทานอยู่แล้วใช่ไหมเครื่องยึดมั่นคือทิฏฐิเนี่ยที่ความเห็น62ที่เป็นความเห็นผิดอยงใหญ่หลวงแล้วก็เป็นไปอย่างทิฏฐูปาทานเครื่องยึดมั่นคือทิฏฐิที่เกิดขึ้นก่อนตามที่ยึดมั่นถือมั่นกันตามลำดับเนี่ยเครื่องยึดมั่น คือทิฏฐิตัวทิฏฐิในบรรดาทิฏฐิเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าปุรุชนบอกสักกายทิฏฐิคืออะไรปุรุชนผู้ไม่มีการสดับแล้วในโลกนี้ย่อมเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างอัตตาก็เห็นรูปเ ป, เป็นตนเนี่ยนะเห็นอัตตามีรูปบ้างเห็นรูปในอัตตาบ้างเห็นอัตตาในรูปบ้าง แล้วก็เห็นเวทนาว่าเป็นอ um ัตตาบ้างเห็นอัตตาที่มีเวทนาบ้างเห็นเวทนาในอัตตาเห็นอัตตาในเวทนาบ้างสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนัยเดียวกันนี่แหละเห็นรูปว่าเป็นอัตตาหมายความว่ายึดมั่นยังไงยึดมั่นว่ารูปนั้นแหละเป็นอัตตาคําว่ารูปนั่นแหละเป็นอัตตาก็คือรูปนั่นแหละเป็นเราเวทนานั่นแหละเป็นเรา สัญญานั่นแหละเป็นเราสังขารนั่นแหละเป็นเราแล้วก็วิญญาณนั่นแหละเป็นเราไปสำคัญว่าตัวรูปกายทั้งสิ้นน่ะเป็นเราใช่ั้ยบางทีเนี่ยไอ้คาว่าเห็นรูปกายทั้งหมดเห็นตาหูโยกเล่นกายหรือเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อหรือเห็นปฐวีธาตุอโปธาติโชธาตุแต่ละอย่างก็แล้วแต่เนี่ยี้ก็าไปเห็นเนี่ยไปเห็นพวกรูปทั้งหมดว่าเป็นเราบางครั้ง คำว่าเห็นเป็นเราเนี่ยแปลว่าอะไรแยกกันไม่ออกเช่นเห็นผมว่าเป็นเราเนี่ยนะว่าเราก็คือผมผมก็คือเราเราไม่ไม่ไม่ไม่จะเรากับผมเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเนี้ยนี่ก็เรียกเห็นรูปเป็นเราใช่ไหมเป็นต้นไปแยกก็เถอะในรายละเอียดไปแยกไปบางทีอะถ้าต้องการให้เกิดความเข้าใจก็ปัทวีอะเห็นปัทวีเป็นเราเราก็คือปัทวีใช่ไหม ก็ไปเข้าใจเงี้ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยปฐวีกับเราเนี่ยแย่ yeah! กันไปเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องตั้งหลักให้ถูกก่อนเรามีอยู่จริงไหมมีไม่มีเออเนี่แหละไอตัวความเข้าใจว่าเรามีนี่แหละก็เลยไปยึดทิฏีิมีอยู่จริงไหมเออน่แหละตัวทิฏฐินี่แหละมันเป็นตัวสาคัญมันไปตั้งไปรับอะไรในเป็นอารมณ์มันก็ไปยึดอนั้นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวเรา เป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาที่จริงตัวเราตัวอัตตาในทีวนี้ได้แก่ทิฏฐิไหมแล้วทิฏฐิมีอยู่จริงไหมมีค่ะแล้วทําไมเราจึงไม่มีอยู่จริงทําไมเราจึงไม่มีอยู่จริงแล้วทิฏฐิม่อยู่จริงไหมมีแล้วเรามีอยู่จริงไหมไม่มีใช่ไหมเพราะทิฏฐิก็มีอย่างไม่เที่ยง มีอย่างโดยความไม่เที่ยงที่ที่ต้องอาศัยปัจจัยไหมต้องเกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนก่อนจะอ่านสูตรพวกนี้หุ่นพูดจะไมเข้าใจจะมาเรื่องเรื่องตรงนี้พูดไปพูดมาบางทีพูดพูดงงเองเนี่ยมันเป็นงั้นจริงพอพูดไปพูดมาเราก็ตั้งหลักถูกไว้แล้วใช่ไหมไปเจอคนไม่เข้าใจซ้ายซ้าขวากันมาเราก็ไม่เข้าใจโอไม่น่ากลัวเลยเกินขอบคนเช่นไรเป็นเช่นนั้น ก็คนไม่เข้าใจเลยฟลอยไม่เข้าใจไปด้วยตามมา่องไปเจอก็ลุมซักไงลุมซักไว้ลุ่มซากมาเราที่ตั้งเราหลุดตา ม, มาที่ตีหลุดในการเป็นมิจฉาทิฏติด้วยกันนั่งไปด้วยกันนั่ง ไ, ไปเลยเดี๋ยวนี้ไอ้ตรงนี้เคือตั้งหลักให้ถูกก่อนนี่คือสําคัญอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาเห็นโลปเห็นรูปในอตาหมายความยังไง <c oughs> เมื่อกี้บอกอะยึดมันอัตตาของเราเอออีกไหมมีธรรมะารรมบอกว่าเห็นอัตตามีรูปบ้างนี่อีกข้อหนึ่งนะะอันนั้นแปลว่าเห็นเป็นอันเดียวกันแล้วอันนี้เป็นอัตตาเน่ยมีรูปหมายก็ว่ายึดมั่นว่าอัตตาของเราเนี่ยมีอยู่ในรูปใช่ไหมอันนี้มันเข้าไปอยู่เลยพราะเห็นคนลนแล้วแต่เนี้ยไอตัวอัตตาของเราเนี่ยมันมีอยู่ในดินนี่แหละ อัตตาของเรามีอยู่ในน้ํำนี่แหละธาตุน้ํำนี่อะไรนะโปรธาตุเนี่ยอัตตาของเราก็มีอยู่ในไฟในลมเนี่ยอัตตาของเราอัตตาของเราก็มีอยู่ในผมเนี่ยใช่ไหมเอางี้ใครจับหัวเราใช่ไหมเออใครจับผมเราก็ชื่อว่าจับเร า, อาเอาไงเนี่ยแล้วโกรธ ด, ด้วยใช่ไหมโกรธ พอทิศีมันบอกว่าเนี่ยคนนี้จับเราแลว้วเพาไม่ให้เกยียดเราใช่ไหมทิศีก็ไปยุโทะโทสาก็เอา เ, าออเลืโกรธใช่ไหมเราทิศีเนี่ยไปยุไปยุโทศานะบอกว่าเนี่ยแต่คนนี้มันไม่ให้เกยียดเราโกรธเลยฉะนั้นเวลาจะพูดกับเราถ้าพูดดีๆทิศีมันมันไปปกเรามันเป็นอุปนิสยยัยปัญญาเกททศาเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้ว่าจริงนะเนี่ยเป็นจริงจริงใช่ไหม สมมติเราแว่นไปวางไว้เนี้ยยอมบอว่าเราแว่นไวางไว้ใช่ไหมมีใครมันล้มาเหยียบโอ้โหมันไม่ใช่เหยียบอะไรเหยียบแว่นเราไ้เหมือนเหยียบตาเขาไงไอ้ที่เนี้ยแล้วทิศมันยุ่งไยุกงยุโทรศัพจัดการมันเลยจัดการมันเลยมันเหยียบของเราแล้วเห็นไหมพอทิฐิมันไปยึดอะไรขึ้นมาแล้วมันก็ไปสําคัญว่าเป็นเรื่องของเราจริงๆมันเป็นยังไง นี่นี่รักพระดํารัตที่บอกว่ายึดมั่นบอกว่ามีรูปดํารงอยู่นะอที่บอกว่าย่อมยึดมั่นว่าตาของเราเป็นรูปเป็นต้นเะไเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งเห็นรูปในอัตาก็หมายความว่ายึ ด, ยดยมัมม่นว่ามีรูปดํารงอยู่โดยอาศัยอัตารูปที่ดํารงอยู่นะอีกพระดํำราตหนึ่งห็นบอกว่าเห็นอัตาในรูปบ้างก็หมายความว่ายึดมั่นว่าอัตาดํารงอยู่โดยอาศัยรูป นี่นะสลับไป น, นี้ถามว่ายึดมั่นยังไงยึดมั่นก็ขยายตรงนี้ท่านขยายไว้อย่างเนี้นะบอกว่าเอยถึงรูปประกายก่อนวันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวหนักหรือหรือเราตัวเบาเนี่ยอันนี้คือเห็นรูปคือปฏิวีทธาจะเป็นอะไรเป็นเราหรือเป็นอาตาใช่ไมเพราะไอ้คําว่าหนักหรือเบาเนี่เป็นเชื่อของ ปัทวีธาต์ใช่ไหมถ้าวันไหนปัทวีธาต์มากวันนั้นก็หนักไหมหนักใช่ไหมพอหนักไปเสร็จเราไปสําคัญว่าอะไรวันนี้วันนี้เราเราหนักใช่ไหมวันนี้เราหนักเพราะจริงๆอะปัทวีธาต์นั้นคือรู ป, ปากาย ว, นนา ว, กวันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวหนัก ไม่ตพูดไปลึกจะยิ่งงงใหญ่เนี่ยงงไหมเอาเคยเป็นไหมวันนี้เราตัวหนักอ่ะใช่ไหมอย่างนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าเห็นอะไรเห็นอะไรเป็นเราเห็นรูปนั่นแหละเป็นเราเห็นรูปเป็นเราไปซะแล้วมันมีไหมเราอ่ะแต่รูปกายมีจริงไหมรูปกายหนักจริงไหแล้วมีเราหนักไหม อะไรหนักคิศทีไปยืดไปทิศทีไปยืดว่ารู ป, ปากายคือปฐวีธาตนะุเนี่ยเป็นเราก็เลยไปสําคัญว่าวันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวเบาวันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวเบาใช่ไหมแล้วเป็นอย่างนี้ไหมชีวิตจริงไงใช่ไหมวันนี้เราตัวหนักนะ วันนี้เราตัวหนักเบาเพราะกินไปมากก็ว่าตัวหนักกินตัวหนักเลยเลยหมอเคเป็นอย่างนี้ไหมนีละได้อีกอย่างแต่ละได้รีบไปหาเลยเนี่ยนี่เ่นี่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนี่แต่ละได้คือพระสดาบันอย่นี้มแต่พยายามล้ายเป็นปกติล้ายเป็นอัตยาสัน ถ้าเห็นโลกคือป sea, there, weekend, are peaceful, ัทว so uh, <st ing noise> ีธาตุเป e ็นอัตานี่นะถ้าเอ่ยถึงสภาวธรรมอื่นที่นอกจากอัตตาที่พนจากสภาวธรรมบอกวันนี้กายของเราหนักอ่ะหรือกายของเราเบาเนี่ยก็คือเห็นอัตตาว่ามีปัทวีธาตุจริงๆเข้าใหญ่ยากใหญ่เลยนยเห็นอัตตาว่ามีปัทวีธาตุเอาเห็นอัตตาว่ามีปัทวีธาตุนี่หมายถึงยังไงเห็นอัตตาว่ามีปัทวีปัทวีธาตุ เมื่อสักครู่นี้บอกว่าวันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวเบาเนี่ยอันนี้หมายถึงอะไรคือเห็นรูปคือปัทวีธาตว่าเป็นอัตตาใช่ไหมเห็นรูปคือปัทวีธาตว่าเป็นอัตตาเห็นรูปคือเห็นปัทวีอ่ะว่เป็นอัตตาบางคนก็ไปเห็นอาโปเป็นอัตตาบ้างใช่ไหมเห็นเตโชเห็นวาโยเห็นพรมินคนเล็บฟันหนังเนื้อโดยความเป็นเราเป็นต้นเหรอเนี่ยนะข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมทีนี้ถ้าสลับใหม่อ่ะ ถ้าจะสลับอีกอี ก, อกแง่ใหม่สลับกลับอีกบอกว่าถ้าเอ่ยถึงสภาวธรรมหรืออัตตาที่พ้นจากสภาวธรรมบอกว่าวันนี้กายของเราหนักไม่ใช่ว่าวันนี้วันนี้เราตัวหนักแล้วไม่ใช่แล้วใช่ไหมวันนี้อ่ะกายของเราหนักหรือเห็นวันนี้วันนี้กายของเราหนักหรือกายวันนี้กายของเราเบาเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้เป็นยังไงเห็นอัตตา เห็นอัตตาว่ามีว่มีอะไรมีปัทวีธาตุใช่ไหมว่าวันนี้ความหนักเกิดในเราหรือความเบาเกิดในเราอย่างนี้เขาเรียกเห็นอะไ ร, รเห็นปัทวีธาตุในอัตตาเมื่ อ, อวันนี้เราตั้งอยู่ในความหนักวันนี้เราตั้งอยู่ในความเบาอย่างนี้เขาเรียกเห็นอัตอตาอยู่ในเในปัทวีเป็นตน้นเราเนี่ยนะ ทั้งหมดเนี่ยเป็นความเป็นไปของสักกาะที่ตีที่เวียนมาสี่รอบในปฐวีธาตุฮะถ้าพูดอย่างนี้แม่ถ้าพูดอย่างนี้งงเดี๋ยวต้องต้องว่าจะไม่หยิบมาแล้วเนี่ยจริงๆจตมาเลยาเพราะพพูดไปแล้วไง เดี๋ยวยกตัวอยา่างหนึ่งตัวอย่างพอแล้วไม่ไม่เยอะไม่เยอะแล้วเ <โ informative S 1> พราะฮะถ้าพูดถ้าพูดตรงนี้อาจจะงงแต่ถ้าหากว่ายกอให้เห็นใกล้ตัวของพวกเราจะสบายใจนะเ <laughs> พราะว่ายกใกล้ตัวแล้วมันก็มอนงนั่งงงงกันอยู่นี่เลย ก็เดี๋ยวดูในด้านของสักกายทิฐิกันแล้วกันนะนะในด้านของสักกายทิฐิที่มีวัตถุยี่สิบเนี่ยในด้านของสักกายทิฐิที่มีวัตถุยี่สิบท่านเนื่งกล่าวถึงในเรื่องของปุถุชนที่ไม่ได้สดับแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะ <het S 1> <ม>ในด้านของปุถุชนเนี่ยนะบางคนในโลกนี้เป็นต้นเหล่านี้จริงจริงท่านขยายเป็นไปตามลําดับบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ย ไม่ได้เห็นภริยาเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของภริยาเจ้าไม่รับการแนะนําในธรรมของพริยาเจ้าไม่เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตว์บุรุษย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างเห็นตนว่ามีรูปบ้างเห็นรูปในตนบ้างเห็นตนในรูปบ้างย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างเห็นตนว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ้างเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนบ้าง เห็นตนในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ้างปุถุชนย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนอย่างไรตรงนี้ต้องไปคิดจริงๆหลักขยายนี่สิเข่ามาเพราะกรณีแห่งการไปขยายความเนี่ยตรงเนี้ยมันจําเป็นแล้วแต่เนี้ยทีนี้ก็คือว่าปุถุชนเนี่ยที่ไม่ได้สดับแล้วในโลกนเนี้ยนะคําว่าอสุตวาปุถุชนโอได้แก่ปุรุชนบุคคลเนี่ยนะ ถามว่าอัตตานุทิฏฐิเนี่ยหรือสักยทิฏฐิเนี่ยเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับปุถุชนปุถุชนประเภทไหนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับมาจากคําว่าอสุตวะปุถุชโนโอเนี่ยปุถุชนอันบุคคลเพ่งรู้ว่าไม่ได้สดับเพราะไม่ได้มีการศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมไม่มีอาคมและไม่มีอธิคมนั่นแหละและไม่มีการบรรลุ คือไม่มีการไม่มีอาคมก็คือไม่ได้เรียนไม่มีอธิคมก็คือไม่ได้การบรรลุปุถุชนไม่มีการศึกษาเป็นเครื่องปฏิเสธอัตตาทิฏฐิคือไม่มีการศึกษาเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นต้นใช่ไหมพอไม่ได้ศึกษาในเรื่องของปัญญาไม่ได้ศึกษาด้มิจฉาทิฏฐิเป็นต้นไม่ได้จาแนกไม่ได้เรียนไม่ได้สอบถามไม่ได้วินิจฉัย ไม่ได้วิจัยในขันในธาตุในอายตนะในสัจจะในปัจจิการในสติปัฏฐานเป็นต้นใช่ไหมพอไม่ได้มายการวิจัยออกมาให้ควรมาพิจารณาอย่างนี้เช่นอย่างเมื่อตกี้พอกล่าวถึงในเรื่องของรูปเนี่ยไม่ได้มองวิจัยกันสักทีเลยเนี่ยในสุดจริงๆก็กลายเป็นปลุ่มชนที่ไม่มีอะไรไม่มีอาคมไม่มีการเรียนทงจริงถ้าเรียนมาดีๆเนี่ยตรงนี้จะไม่จะไม่สงสัยแล้วใช่ไหมอันนี้แสดงว่าไม่มีการเรียนตรงเนี้ย ก็เลยยังสงสัยใช่ไหมจริงจริงเรียนกันมาแล้วมังเรียนที่ยังได้เรียนแลว้ินเข้าใจฮะได้ยินคเนี้ยมันนานมากแล้วแต่ก็ยังวิจัยไม่ได้เออเดี๋ยวงันเดี๋ยวลองครั้งหนึ่งนะถ้าอีกครั้งนี้ถ้าไม่ไม่เข้าใจก็ทำไงดีเนี้ยฮะปล่อยไปเลยอ๋อ แล้วแล้วกรณีที่บอกว่าไปสําคัญว่าวันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวเบาอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมเพราะจริงๆคำว่าหนักหรือเบาเป็นชื่อของปัทวีธาใช่ไหมแต่เราไปสําคัญว่าปัทวีธาตเป็นเราไปซะแล้วอย่างนี้พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> เออตรงนี้ก็เริ่มจะเป็นผู้ดูชนผู้มีการสับดาบเลยนะจริงๆนะเขาจงแยกไงตรงเนี้ยทีนี้ ไม่มีการวิจัยในเรื่องของขันยังไม่รู้รู ป, ประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นแล้วเวลาขันไม่เข้าใจเดี๋ยวายธาตุอายตนาก็ไปงงกันอีกนะเขาเรียกไม่ได้สดับคือไม่มีการศึกษาแล้วก็ไม่มีการบรรลุจริงอยู่คําว่าสดับได้แก่การศึกษาพุทธพจน์หรือพุทธว จ, จนะและการบรรลุด้วยวัวหารแห่งสุตตะเป็นเหตุก็หมายความว่าเพราะมีสุตตะนั่นแหละจึงเป็นปัจจัยการบรรลุเขาเรียกสุตตะพุทธ อย่างเราเนี่ยต้องเป็นสุตตาวุท ธ, ธาหรือสาวกสาวพุท ธ, ธาเนี่ยสับเดียวกันนั่นแหละคือสุตตาวุท ธ, ธา <c oughs> คือจะมีการบรรลุได้ต้องมีการสดับต้องมีการฟังและต้องการฟังที่ถูกต้องโดนต้องงงแล้วว่จะมาหาแล้วต้องฟังจริงๆนะครับนั่งหลับฟังนะ <c oughs> <c oughs> นั่งหลับฟังนี่เขาเรียกไม่เรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ฟังจะมา ใช่จะฟังได้งไงไม่รู้ไปฟังใครอยู่ก็ไม่รู้ตอนนั้นนะเอาที่ท่านยาวพูดยาพูดไปถ้ามีปัญญาพูดฉันจะนั่งหลับฟังอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่ก็จะไม่มีการเรียนอีกแล้วใช่ไหมไม่มีการสดับอีกแล้วงั้นคําว่าสดับนี้ก็คือว่ามีการบอกว่าการศึกษาพุทธวจนะแล้ะการบรรู้ได้วัวหาในาสุตตาเป็นเหตุถ้าเรืสุตตาพุทธานี่นะเพราะเป็นผลแห่งสุตตา ฉะนั้นคนที่จะบรรลุเนี่ยแปลว่ามีสุต่านั่นแหละเป็นเหตุต้องบอกว่าเอานี้ภาษาริบุตรเนี่ยเป็นสุต่าคุ้มทามไห ม, ไมต้องฟังก่อนอยังบรรลุใช่ไหมถ้าภาษาลิบุตรไม่ได้ฟังนี่จะบรรลุไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เข า, เาต้องฟังก่อนการฟังนั่นแหละเป็นเหตุทําให้ท่านบรรลุ <c oughs> ก็ขนาดภาษาลิบุตรยังต้องฟังยังบรรลุคนอื่นไม่ต้องพูดแล้วแต่ <c oughs> <laughs> พวกไม่ฟังแล้วบรรลุนี่แสดงว่ายิ่งกว่าภาษาลิบุตรใช่ไหม เหนือภาษาลิบุตรขึ้นไปเรายุ่งเลยใช่ไหมมีใครบ้างเละในโลกจะเทียบเท่าภาษาริบุตรในบรรดาสาวกใช่ไหมเอาสาวกทั้งจากกวาลมารวมกันยังไม่สู้ภาษาลิบุตรรูปเดียวเลยฉะนั้นภาษาลิบุตรยังต้องฟังแล้จะบอกว่าบุญเขาไมีฟังกันหรอแล้วก็บอกว่าขนาดภาษาริบุตรยังฟังแล้วก็บอกเจะมาภาษาลิบุตรฟังนิดเดียวเลย เอางี้นะว่ า, าคือภาษาทีบท ต, ตอนที่ท่านบรรลุ น, น่ยฟังแล้วอัศาจรรย์ท่านบอกว่าพระเถระบอกว่านิมนทรท่านกล่าวเถอจะน้อยหรือมากไม่เป็นประมาณใช่ไหมคือพยันชนะเนี่ยจะน้อยหรือมากเมื่อท่านกล่าวเพียงนิดหน่อยเนี่ยการขยายเป็นร้อยในพันในหมื่นในเป็นเรื่องของข้าพเจ้าเอง เราขยายได้ไหมละที่ตรงเนี้ยเราเนี่ยใครมากล่าวทำมาจากว่าว่าสูตรให้เราฟังใช่ไห ม, ไมเราก็ไปยอ่อของท่านจเหลือเหลือแค่อตัตตากิรลบัฏานุโย ก, กับกาลมสาสุกาลิกานุโยกแค่เนี้ ไ, ไปยอ่อบอกนอกนั้นจําไม่ได้นี่เราไปยอ่อของท่านเนี่ยจริงๆต้องขยายได้ใช่ไหม ต้องขยายไปพาดพิงสูตรอื่นได้ทั้งหมดเพราะธรรมจักนั้นเป็นการกล่าวพระธรรมทั้งหมดเป็นปฐมเทศนานั้นปฐมเทศนานั้นชื่อว่ากล่าวทั้งหมดเอาธรรมจักมากล่าวก็ชื่อเอาธรรมะในสี่ิบห้าภาษาทั้งหมดละกล่าวไว้หมดรวมไว้ในสูตรนี้ทั้งหมดเนี้ยเราก็ขยายไม่ออกใช่ไหมอันนี้เราได้ยอ่อได้แต่ยอ่อเลยไม่หมดได้แก่อัตตากิรอมัทธนี่ย่กับการมสัสการิการนี่ย่ บางกีจํามัชฌิมาปฏิปทาไม่ได้ก็ระเจริญไม่ถูกอ่ะก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเป็นเยอะต่ส่วนสุดสองอย่างอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นอัตตะกีฬาบ้างเดี๋ยวก็เป็นการบรรุขันธ์การนิย و บ้างใช่ไหมก็อยู่กับโลภะบ้างอยู่กับโทสะบ้างนักนอยู่ี้เลยไม่ได้สมาธิที่ดีเลยทีนี้ตรงนี้ปุถุชนเนี่ยนะท่านถึงบอกบอกว่าเป็นผู้ไม่ได้สดับบุคคลที่ไม่ได้สดับเป็นปุถุชนด้วยเหตุยังกิเลสหนาเกิดขึ้นเป็นต้น ชนเหล่านี้เชื่อว่ามีกิเลสหนาเพราะนับเข้าในภายในไหนในายแหงคนผู้มีกิเลสหนาฉะนั้นคําว่าปุถุชโนโอเนี่ยคือปุถุชนเนี่ยด้วยการยังกิเลสหนาเป็นต้นเนี่ยมีอาการต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นต้นท่านกล่าวไว้ยังไงท่านกล่าวบอกว่าปุถุชนยังกิเลสหนาหเกิดขึ้นเพราะกําจัดสักกยทิฏฐิอันหนาไม่ได้เนี่ย กำจัดสักยะทิฐีอันหนาไม่ได้คือเห็นรูปเป็นตนตนเป็นรูปในรูปอยู่ในตนตอนอยู่ในรูปเป็นตนนะนะสักยะวัตถุสักยะทิถิที่มีวัตถุยี่สิบเนี่ยที่มันหนาแน่นมากในกมลราษฎรดานของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกําจัดไม่ยังพอจอะกําจัดเลยเข้าใจก็ยากเนี่ยนะเริ่มเรียนแล้วเริ่มท้อแล้วใช่ไหมยังกิเลสหนาเกิดขึ้นนีไหม พราะกำจัดสักยะทิฏฐิอันหนาไม่ได้แปลว่าอะไรลองคิดดูว่าไม่มีพบไหนเลยเนี่ยที่ผ่านมาในสังสารวัตที่ไม่มีสักยะทิฐิก็ลองคิดดูปริมาณขเขาหนาขนาดนไหนใช่ไหมเพราะเห็นแก่นหน้าของาศาสตราทั้งหลายเป็นอันมากเรื่องบางนี้สอบนี้ก็แปล ด, ดีบางทีก็เง็นหน้ามองาศาสดาอันนี้ก็เราเห็นแก่นหน้ า, าศาสตราทั้งหลาย มางทีเนี่ยมางทีเราเราไม่ค่อยกล้าละเขาจริงๆเนี่ยเก่งใจบุรณะกัตตาปาเขามาคลริโกสาลาชิตาเศกศคำพลเนี่ยเก่งใจไหมเขาต้องบอกพูดถึงในเรื่องของใครเป็นมิจฉาทิฏฐินะเดรัทธีสาวเของเดรัทธีแล้วคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเก่งใจทิตฐิ จงใจทิฏฐิจงใจสาวดาประการต่อมาเพราะร้อยรัดด้วยคติต่างๆนะคติห้านะนิริยาคติเปติคติเดรจานคติมนุษยยคติแล้วเดวะคติเนี่ยเนี่ยคติห้าเป็นอันมากก็แปลว่าคติทั้งหลายที่เราจะไปนั้นน่ะมากที่ทํากรรมเพราะจะได้คติทั้งหลายในอนาคตนั้นมากในอดีตที่ผ่านมานั้นก็หนาแน่นโดยคติอีกมากฉะนั้นคติต่างๆเนี่ยร้อยรัดเรามาก พ่อะอะไรอีกอย่างหนึ่งว่าปุถุชนอีกอย่างพ่ะปรุงแต่งกับพีสังขารไม้มากทั้งปุญญาพิสังขารก็ปรุงแต่งไว้เยอะอัปุญญาพิสังขารยิ่งมากใหญ่อนเนียนชาพิสังขารปรุงแต่งไว้เป็นวัศิกรรมไปแล้วแต่เป็นอุปนิสัยอยู่ยังฝังนั่นอยู่ในเรื่องของสมาบัติทั้งหลายที่มาถามเรื่องสมาบัติเนี่ยใช่ไหม นั่นแหละสมาชิกเหล่านั้นนั่นแหละมันยังมีอยู่ความคิดต่างๆเหล่านี้ยังมีอยู่ความเห็นผิดต่างๆยังเป็นอัธยาศัยอยู่ยังเป็นอนุสัยกิเลสอยู่ใช่ไหมมีการมาราคานุสัยก็ได้ปฏิคาโน้สัยก็ได้มานาอนุสัยโดยชวัตคิดฐานุสัยเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ยเป็นอนุสัยที่ยังฝังแน่นและยังมีความยินดีเพลิดเพลินเป็นอัาธาทิฏฐิก็เยอะ ที่ยังชื่นใจยังไม่ยอมยังไม่หายยังไม่สางเลยควาเเห็นแบบนั้นนะ่ะนะข้าวนะข้าวดีนะที่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าไปดูในคัมภีร์อีกคัมภี์หนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของมิจฉาทิถีเนี่ยคือพอไปดูแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกตกอกตกใจนะในรู้สึกใจเอกนีบาทเขาจะบอกคติเขาไว้ บอกคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ย <S <S เดี๋ยวขยายอีกทีเนเดี๋ยวขยายตรงนี้ก่อนแล้วไปดูมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะไปสรุปตรงนั้นตรงนี้ก็คือบอกว่าปรงแต่งปุญญาปุญญาเนี่ยอเนญชานเนี่ยนียไวมากสรุปแล้วก็คือเจตนากรรมทั้งหลายที่เราได้ปรุงแต่งด้วยอํานาจของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยเยอะทั้งที่เป็นบุญทั้งที่เป็นบาปมีมิจฉาทิฏฐิแวดล้อมไม่เกลี้ยงหมดแล้ว ใช่ไหมแล้วสังขารเหล่านั้นทํากรรมไว้เบียดเสจแล้วกรรมเหล่านั้นที่ยังยังไม่ให้วิบากอีกเยอะมากเราถูกคติต่างๆเราเนี้ยร้อยรัดเขาไว้ทับถมเขาไว้แล้วก็ชักจูงเขาไว้ทําให้เราทําให้ใจเราทั้งทั้งหลายนั้นน่ะไม่น้อมที่จะออกไม่น้อมจะที่จะออกเพราะเราเสียดายคติเหล่านั้นเสียดายมากบางคนก็เสียดายอบปยภูมิที่ทําไว้เยอะแล้ว มันทิฏฐิทิฏฐิมันปล่อยเราหลงผิดนะมันทําให้เราอยากเกิดไงเพราอยากเกิดมันก็พลาดเหมือนเราเสียดายใบยผูมิเราจริงๆนะี่เะยจะไม่กติต่างๆที่เราจะต้องไปเกิดเนี่ยมันเยอะมากใช่ไหแล้วคํานวณไม่ได้เลยถ้าจะทํากรรมกันวันวันหนึน่งก็ทําเยอะแล้วเฉพา ะ, ะเฉพาะราคาโทรศัพทมหาที่มีทิฏฐิเป็นตัวชักนําทั้งหลายเนี่ยพราะถูกห้วงกิเลสต่า ง, ๆ อ, างๆอย่างมากพัดพาไป เพราะเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนต่างๆเป็นอันมากเพราะถูกความเร่าร้อนต่างๆเป็นอันมากแผลเผาี้ยกำหนักแล้วก็อยากด้วยนะยินดีสยบแล้วก็ซอติดขัดข้องพัวพันในกามคุณห้าเป็นอันมากเพราะถูกก่มกามาฉันท่พยาบาททีนมิถะอุทะจกักกุกุจาวิจิกิจชาเป็นอันมากกั้นล้อมขัดขวางปิดปกปิดแล้วก็ครอบเขาไว้ทําให้เราเงยออกไม่ได้ อีกประการหนึ่งก็คือชื่อว่าบุรุชนเนี่ยเพราะเข้าไปภายในแห่งชนของผู้มีกิเลสหนาเขาเรียกแยกตัวออกไปก็คือไม่สามารถหรือเพราะชนผู้มีกิเลสหนานี้แยกตัวออกไปเพราะไม่สมาคมกับใครบองไม่สมาคมเราท่านทั้งหลายที่เป็นบุรุชนเนี่ยเราไม่สมาคมกับอริยะผู้ประกอบไปด้วยศีลคุณศีล ส, สุตาจาคาปัญญาไปต้นเหล่านี้ เราเนี่ยหนีพระอริยามาตลอดเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันชักจูงให้เราหนีฉะนั้นจะมีเหตุผลมากมายไปหมดในกรณีที่เราจะศึกษาพระธรรมเรียนพระธรรมของพระบรมศาสดาเนี่ยนะฮะขนาดมันนั่งเรีย น, นยังขอหลับหนีก่อนอย่างนี้เป็นต้น น, นะมันขนาดนั้นเลยแหละตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันมันจะบอกว่าอย่าฟังมากเลยฟังพระงนี้ก็ไมต่างกันเราก็เล่นต่างเราก็อ่านเองได้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ไปมันเรื่อยเรอยอย่างนี้นะ ตัวมิจฉาทิถิมันก็จะไปขึ้นมาอย่างนั้นแหละตรงนี้ได้ละในคำสองอย่างปุรุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยอสุตวาปุรุชนโนเนี่ยนะท่านกล่าวปุรุชนสองจำพวกเขาไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์ตรัสถึงปุรุชนสองจำพวกเขาไว้ก็คืออันทาปุรุชนกับกัลยายปุรุชนในสองจำพวกเหล่านั้นท่านกล่าวถึงอันทาปุรุชนนะว่าหมายถึงอันทาปุรุชนนะคำว่าปุรุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ย ไม่ได้เห็นปรริยเจ้าอริยานางอัตสาวีเนี่ยก็แปลว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาวกของพระุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าพระอริยะเพราะเป็นผู้ไกลจากกิเลสใช่ไหมไกลจา ก, กราคะโทสะโมหะเป็นต้นเพราะไม่ดําเนินไปในทางที่เสื่อมเพราะดําเนินไปในทางที่เจริญคือไม่ดําเนินไปในมิจฉามากักน่ะใช่ไหมถ้ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปาปามิจฉาวาจามิจฉากรรมตะ มิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิเนี่ยนี้ก็เรามิจฉามากอันนี้เขาเรียกดําเนินไปสู่ทางเสื่อมถ้าบรรดาพวกมิจฉาทิติเกิดขึ้นมาแล้วเสื่อมทุกคน่ะสังเกตดูทีว่ามิจฉาทิติเกิดขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ความดํำรี่เขาจะถูกเขากระดำรี่ผิดใช่ไหมถ้าดํำรี่ผิดแล้ววาจาจะเป็นมิจฉาวาจาหรือสมมาวาจาฮะก็เป็นมิจฉาวาจาเมื่อกล่าวมิจฉาวาจาแล้วการกระทําจะเป็นอะไร ไหม αι? มิจฉ า, ากรรมันตาถ้าทั้งกายและวาจาเขาเป็นทั้งมิจฉาวาจาแล้วมิจฉากรรมันตาเป็นตัวเหล่านี้อาชีพจะเป็นอะไรแล้วความเพียรเขาจะเป็นอะไรีเนี้ยก็มีมิจฉาไหสติก็เป็นมิจฉาสติสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิก็ดําเนินอย่างเนี้เพราะมีมิจฉาทิฏฐิในเป็นห Wed ัวเรือใหญ่ในตัวชักจูงเขาและอย่างยาวนานเป็นส่วนใหญ่เราดําเนินทางเสื่อมอย่างนี้ตลอดเราไม่ค่อยดําเนินไปสู่ตามความเจริญเลยว่างั้นเดี๋ยว ทั้งหมดรู้ไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานจะมาจะไปบรรยายกับชาวบ้านมาต้องคิดหนักเลยนะไม่กล้าพูดคําหนักกลัวท่านโกรธก็เลยยังยั้งไม่กล้าพูดขนาดไมก่กล้าพูดเลยนะบา <c oughs> งทีพูดดีไหมนะอะไรเงี้ยคือจริงๆไม่ได้ไปคิดว่าท่านคิดว่าเอออยากเตือนเงินเงินนั้นเองคิดอยากเตือน ยังม <l ittle S 2> ีประโยชน์เลยจริงๆใหญ่คือคือจริงๆไปนีงฮะฟังเลยฟังนั่นแะงั้นตรงเนี้ยบางทีเราก็ไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะก็เราก็กลัวใช่ไหมกลัวว่าเออเดี๋ยวไปกระทบกระเทือนกันเลยเพราะว่าจริงๆก็คือแต่แต่มีมีวัตถุประสงค์ก็คือว่าอยากอยากให้เขาเกิดความเข้าใจนั่นแหละวัตถุประสงอยากเกิดความเข้าใจ เนะพระพระเจ้าเพราะพร ะ, เ จ, พระพเจ้าและวพระริยะทั้งหลายพระพเจ้าตรัสที่ว่ากว่าเป็นพระริยาเนเาเ well. ี่ยเพราะท่านดำเนินไปสู่ทางเจริญไม่ดําเนินไปสู่ทางเสื่อมทางเจริญก็คือสมัมาส ม, มาอริยมรดินี้ก็เพราะว่าโลกพร้อมทั้งเทวโลกเข้าไปหาใช่ไหมหรือในที่นี้พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะเรียกว่าภระริยะสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกตุทั้งหลายในโลกพรพ้อมทั้งเทวโลกเป็นต้นเหล่านี้ยตถาคตเขาเรียกว่าเป็นภาริยะ อันหนึ่งพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าของพระธรรคตเนี่ยพึงทราบว่าเป็นสัพุริสัตสัพุริสานะคือสัพบุรุษจริงอยู่นะท่านเหล่านั้นชื่อว่าสัพบุรุษเพราะเป็นบุรุษพวกงามด้วยด้วยอะไรประกอบด้วยโลกุตระคุณใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาของท่านเนี่ยประชุมในโลกุตระได้แล้วท่านงามในโลกุตระคุณท่านเหล่านั้นทั้งหมดกล่าวไว้เป็นสองประเภทแม้พุทธเจ้าก็เป็นพระรยาและเป็นสัพบรุษด้วย <ächlich> แม้พระปฏิเจพระรเจ้าทั้งหลายสาวกท <Three miles S 2> ั้งหลายก็เช่นกันสมดังที่ตรพังข้าดาบทโพธิสัตว์ตรัสไว้บอกว่าผู้ใดแลเป็นคนกระตันยูกระตเวีธีเป็นนักปราดเป็นกระยาณมิตรเป็นผู้มีความพักดีมั่นคงย่อมทํากิจโดยเต็มใจแก่ผู้ได้รับทุกบัณฑิตเรียกคนนั้นว่าเป็นศัตรุษอันนี้ไปดูในกุฏกาณิกากายชาดกนะอันนี้รายละเอียดต้องการรายละเอียดตรงนั้นตรงนี้จะรีบเดินก็ไปแล้รีบเดินไปหาทิฏฐิเนี่ยทีนี้ พระปเจกพระพุทธเจ้าเป็นผู้กระตันยูกรตะเวทีเป็นนักปราดท่านกล่าวพุทธกล่าวบอกว่าพุทธสาวกเป็นกัญยาณมิตรเป็นผู้มีความพักดีมั่นคงท่านกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมทำกิจด้วยความเต็มใจแก่ผู้ที่รับทุกขนี่พระพุทธเจ้าตรงเนี้ยเวลาพระพุทธเจ้าทำกิจเนี่ยท่านทำด้วยความเต็มใจนะทำกิจโดยเต็มใจแก่ผู้ที่รับชาติทุกชาราทุกมรณะทุกโสกับวิริเดวะทุกขโทมนะสารเลวปายาตเพราะพระอว์นั้นแบกทุก ของสัตว์โลกไว้ในตนตั้งแต่เป็นพวัวที่สัตว์อยู่แล้วใช่ไหมคือขยายทุกข์ของตนเองเนี่ยท่านเห็นว่าเราเจ็บปวดท่านก็โหทนไม่ได้เลยเนี่ยธรรมชาติของกรุณาเนี่ยเมื่อเห็นคนอื่นได้รับทุกข์แล้วเนี่ยทนอยู่ไม่ได้เนี่ยคําว่าทนไม่ได้เป็นแบบนี้บอกแบกทุกข์ไว้ในตนเสเองยอมลําบากเสเองเลยเนี่ยรักแบบนี้ก็เรียกกรุณาแท้และในขณะที่แบกทุกข์ไว้ในตนนั้นก็ไม่แบกไว้ด้วยโทมนะสวเวทนา ถ้าแบกไว้ด้วยโทมนานัสเวทนาเขาไม่เรียกกรุณาเขาเรียกโทสะแต่พระเจ้าไม่ได้บำเพ็ญบารมีด้วยโทสะแต่บำเพ็ญด้วยกรุณามีกรุณาเป็นเป็นปุเราจาริษเดิมนำหน้าเลยไปมหากรุณาเล ย, เลยะนะนั้นพระองค์ก็ยอมรับแบกทุกข์ของสัตว์โลกไว้ในตนยอมลำบากขยายว่ตาตังเลงอย่างยาวนานเนี่ยเพื่อเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าพุทธะพระเจ้ธธาที่บอกเป็นสัมมาสมัมพุทธาเนี่ยท่าน ท่านแบกทุกรับทุกของสัตว์ทั้งหลายไว้ในตนเน่ยรับชาติทุกชราทุกพยาธิทุกและมรณะทุกใช่ไหมเอาใส่ไว้ในตนเองครตัวเองจะรับแทนเพราะไปเห็นสัตว์ทั้งหลายร้องโอดครวนกันในนรก หรือเห็นคนตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายเห็นสัตว์ทั้งหลายวิ่งถูกมิจฉาทิฏฐิชักจูงแล้วก็พากันไปเนี่ยอย่างมาเยอะเพราะบริษัทมันมาเกิดเงียเห็นคนโอ้ยไม่เข้าใจพระธรรมกันเลยเนี่ยหนานแน่นไปด้วยกิเลสวิ่งผ่านกันเงียเพราะบริษัทกรุณาเลยคนเป็นพระบริษัทนะลองไปนั่งคิดแล้วให้กรุณาเกิดสักนิดได้ไหม เอาลองไปนั่งคิดดูทํำยังไงให้กรุณาเกิดเนี่ยใช่ไหมมีนอนคิดนั่งคิดดูที่ทาไมเราจะช่วยเขาได้ทําไมเราจะช่วยเขาได้อะแต่ไม่ได้คิดอย่างโทมนัทนะคิดแบบกรุณาสเทือนเนี่ยเพราะกรุณาในเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้จิตใจเขาคนดีเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้คนที่เป็นคนดีทั้งหลายอยู่เฉยอยู่นิ่งไม่ได้จะต้องพยายามในการขวนขวายในการที่จะช่วยเหลือเขาเขาเดือดร้อนก็พยายามจะช่วยใช่ไหม อย่างเงี้ยลักษณะนี้กรุณาจะเป็นอย่างงี้ถ้ า, าหากว่ากรุณาแล้วเกินกันั่งเฉยเราก็สบายใจอย่างงี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมถ้ากรุณาทนไม่ได้คือคือรับทุกของคนอื่นมาแบกไว้ในตนเลยว่างั้นเลยแต่ไม่แบกไว้ด้วยโทมานัสไม่ทํายากใช่ไหมไอการที่ไม่แบกไว้ด้วยโทมานัสหนึ่งได้ตรงนี้ถ้าเราเห็นพระมหากรุณาที่คุณของพระเจ้าเนี่ยทำยังไงเราจะทําให้คนเห็นคุณของพระเจ้าในข้อนี้มากๆอัมาพยายามพูดยังเลยนะ พยายามบอกพยายามกล่าวจริงๆว่าพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณจริงๆพยายามบอกพยายามกล่าวอะไรต่างๆเนี้ยคนก็บอกเออมียังไงแปลกจริงผููให้เห็นยากมากเหมือนก็บอกว่ารับทุกของพวกเราไว้ในตนเนี้ยรับยังไงพระองค์กระทาของพระองค์ไปพระองค์ก็คิดของพระองค์อย่างนั้นอะไรเงี้ยเนี้ยเราเห็นได้ไหมตรงเนี้ยถามบอกว่าถ้าพระองค์บรรลุ ไปก่อนหน้านั้นแล้วจะมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ไหมนีม่ยเอาก็ะเตลก็เสียหายเลยทีนี้แล้วขนาดเรามีพระธรรมลา ด, ลดรถจิตใจยังได้แค่เนี้จะยังได้แค่นี้จะไหมยังได้แค่เ น, นี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีพระธรรมของพระเจ้าเลยเราจะเราจะมืดขนาดไหนอ่ะเราจะหาทางเจอไหมเดินเข้ามาเรียนไม่เจอหนทางเลยขนาดมาเจอเบสเสร็จก็เดินหนี มาทําอะไรกันไม่รู้ห้องนี้ก็ว่างันนะใช่ไหมขนาดนั <girl> ้นเลยนะเพราะไม่มีพระทําราดรถก็มองอะไรก็เห็นผิดหมดนี่เป็นอย่างงั้นมองไม่เห็นหรอกก็วิ่งกระเซาอกระเซาะกันไปใช่ไหมเนี่ยันก็เป็นไปในลักษณะอย่างเงี้ยฉันถึงบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีพระมหากรุณาที่คุณของพระเจ้านี่จะไม่มีพระเจ้าองค์นี้เมื่อมีพระเจ้าองค์นี้เราก็เสียหายแบบนี้ก็เรียบร้อยไปหมดแล้วก็ไปดิว่าตาก็ยาวเวรก็ไปเยอะ ตรงนี้ยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเป็นผู้ที่ทํากิจ ด, ด้วยความเต็มใจเกี่การรับทุกข์ของสนะัตว์เนี่ยนะบัดนี้บุคคลใดมีปกติไม่เห็นพระรยเจ้าเหล่านั้นและไม่ทําความดีในการที่จะเห็นที่ตรงนีน้หนึ่งไม่เห็นพระรยาเจ้าและก็ไม่ทําความดีในการที่จะเห็นบุคคลเหล่านั้นปุริซา บ, บอกไม่เห็นพระรยะคือเราไม่ได้เห็นคุณของท่านเลยอ่ะ ไม่เห็นคุณของพระรยาไม่เห็นคุณของพระุทธเจ้าพระปฏิเจยพระเจ้ า, จาและพระอ า, หารหันตสาวกทั้งหลายแล้วที่หนักไปกว่า น, นั้นก็ไม่ทําความดีเพื่อจะรองรับเนี่ยเพื่อจะไปเห็นด้านใช่ไหมเพราะการเห็นในที่นี้มันเห็นด้วยญาณด้วยปัญญาเนอะไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อทีนี้บอกว่าบุคคลสองอย่างนั้นไม่ได้เห็นด้วยจกักษุนะท่านต้อบอกว่าหนึ่ง เมื่อบุคคลสองอย่างคือไม่เห็นด้วยจักษุไม่เห็นด้วยญาณนะในบุคคลสองอย่างนั้นนะถ้าถามนี่นะในที่นี้ท่านประสงค์เอาไม่ได้เห็นด้วยญาณคือปัญญาจริงอยู่บุคคลแม้เห็นภาริยะด้วยมังสาจักูุบางคนก็เห็นด้วยทิพจักูุก็ไม่เป็นอันเห็นเลยเพราะอะไรเพราะจักูุเห็นแต่เพียงสีเพราะไม่เป็นอารมณ์แห่งความเป็นภาริยะ ถามบอกว่าสุนัขบ้านสุนัขยิ่งจอกเป็นต้นเนี่ยเห็นภ้าดิยะด้วยจักษุได้ไหม <Yeah. S 1> ชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้เห็นภาริญาแล้ว <Yeah. S 1> เพราะอะไร <Yeah. S 1> การเห็นด้วยจกักษุจึงไม่เรียกว่าเห็น <Yeah. S 1> การเห็นด้วยญาณ น, นะ <Yeah. S 1> เห็นด้วยปัญญา <Yeah. S 1> เห็นด้วยความเข้าใจคุณของท่านเป็นต้นนั้นจึงเรียกว่าเห็นเพ <Yeah. S 1> ราะพุทธเจ้าตรัสว่าวัคารีประโยชน์อะไรด้วยการที่เธอเห็นกายอันเปื่อยเน่านี้ วัารกะลีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราใช่ไหมไปดูในขุตกาศนิกา อ, อในสั ง, สงยุตต่นิกายขันทวรวัตรนะไปดูในเล่มสิบเจ็ดเป็นต้นเนี้ยนะเียไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกจะเป็นยี 27, ่สิบเจ็ดไงไม่แน่ใจนี่นะเนี่ ย, ยฉะนั้นถ้าถามบอกว่า จากสูประศาสตรเนี่ยจากครูประสาสตรเนี่ยเห็นแต่เพียงสีเพราะไม่เป็นอารมณ์ของภาริยะเลยนี่ยไม่เป็นอารมณ์แห่งความเป็นภริยะก็หมายความบอกว่าเวลาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสุนัขบ้านสุนัขจรจอกทั้งหลายต่างๆเห็นใช่ไหมหรือปุถุชนทั้งหลายก็เห็นเราท่านทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยเคยเห็นพุทธเจ้าสิบางทีได้เห็นบางภพ บ, บางชาติเนี่ยเราก็เห็นพุทเจ้ามาแล้วเห็นสาวกพุทธเจ้ามาแล้วแต่ชื่อว่าไม่เห็นภาริยะ เพราะไม่ทําอริยคุณให้เกิดขึ้นในกระแสของขันธ์ธาตุยัตยชนะอันนี้เชื่อว่าไม่เห็นบางทีเราก็เห็นกายของพระเดจ้าใช่ไหมเห็น ร, รูปของพระเดจ้าอย่างทุกวันเนี่ยเราเห็นแต่ถ้าแต่เราเห็นตอนเนี้ยเราเราตั้งมั่นในการที่จะทําอริยะคุณให้เกิดไหมถ้าตั้งมั่นเนี่ยเขาเรียกเป็นไม่ใช่เป็นอันธบุรชนนะเป็นกัลยาบุรชนเลยอาตอนนี้เป็นอะไรดี <c oughs> พูดไม่เคยเต็มปากเลยตั้งจิตตั้งจิตไว้ดั ง, ง, งนั้นถึงบอกว่าตรงนี้การเห็นด้วยจกักษุก็ไม่เป็นการเห็นเพราะว่าทําไมจึงไม่เรียกว่าเห็นเพราะว่าอันนี้จะลักษณะทุคลักษณะนาตลักษณะแล้วก็อสุภาษเป็นต้นไม่ปรากฏเมื่อลักษณะต่างๆเหล่านี้ไม่ปรากฏนะก็ชื่อว่ายังไม่เห็นคือไม่ได้เห็นเพราะว่า ผาริยะเห็นได้ยานอะไรและไม่บรูุ้ธรรมที่ผาริยะบรรลุเพิงทราบว่าไม่ได้เห็นผาริยะทั้งหลายเพราะไม่เห็นธรรมที่ทําให้เป็นผาริยะเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะนี่แหละเขาเรียกว่าไม่ได้เห็นผาริยะประการต่อมาก็คือไม่ฉลาดเนาะไม่ฉลาดในธรรมของผาริยามาจากคาว่าอริยธรรมมัตสะอโกวิโทเนี่ยไม่ฉลาดนะอริยะธรรมมันเป็นประเภทว่าไม่ฉลาดในสติปัฏฐาน ไม่ฉลาดในสมระูานอทิบาทอินทรีพระราพุชงแล้วก็ไม่ฉลาดในอริยมรรคไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยอริยธรรมเมอวีนิโตก็หมายความบอกว่าไมไ่รับแนะนำเนี่ยนะก็หมายความบอกว่าไม่ในรักการแนะนำในวินัยของพระอริยก็หมายความว่าวินัยมีสองอย่างสังวรวินัยแล้วก็บาฮารวินัยเนี่ยตอนนี้เราฟังกันมาเยอะนี่เราย่เชื่อไม่ดูตรงเนี้ย พอเข้าใจตรงนี้เสร็จแล้วตามไปดูเรื่องเห็นรูปเป็นเราเราเป็นรูปเนี่ยนะสังวรวินัยกับประหารวินัยในวินัยสองประการนั้นสังวรวินัยคือสีละสังวรสติสังวรญาณนะสังวรขันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวรเห็นไ้มทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของประหารล่ะตระทางก้าประหารวิขำบรรณประหารสมุเฉทประหารแล้วก็ปฏิปสัตทีประหารนิสรณประหาร ในสังวรวินัยนั้นพึงทราบวินิจฉัยบอกว่าเข้าถึงภิกษุเนี่ยนะประกอบด้วยปาฏิโมกสังวรชื่อว่าสีและสังวรก็หมายความว่านั่นแหละปาฏิโมกสังวรศีนั่นเองในกรณีที่ ป, ปาฏิโมกสังวรสีนี่มีมีอะไรเป็นประธานมีศรัทธาเป็นประธานเนี่ยนะท่านคนที่รักษาสีทั้งหลายเหล่าเนี้ยคือศรัทธานะ ประกอบคำว่าปาติโมกในปาิปฏิโมกในศัตว์นั้นน่ยความหมายก็คือว่าทำให้สัตว์นั้นไม่ตกไปในทุกในบายตลอดถึงทุกในสังาาาสารวัตเป็นต้นเหล่า น, นี้นั้นใครไม่อยากลงบ่ายตลอดถึงใครอยากจะพ้นจากสังาาาสารวัตก็จะต้องมีปฏิโมกสังวรสีเนี่ยเป็นศีลหลักเป็นประธานเขาไว้เป็นหลัก motions, เกีเ่ยวกับไว้ถ้ า, าปฏติโมกสังวรฆราวาสไม่มีปฏิโมกสังวรพระไม่มีปฏิโมกสังวรแล้วจบเลย เขาว่าไม่มีศีลที่เป็นแกนหลักเอาไว้แล้วถามว่าไม่มีความมั่นยายเลยจะเอาสุคติพบในพบต่อไปก็ยากแล้วใช่ไหมก็แปลว่าการจะลงปาตีปาตีเป็นการตกไปสู่ใาบายภูมิหรือตกไปในสังสารวัตเนี่ยโดยเฉพาะตกไปในใบายภูมิเนี่ยเพราะไม่มีสังวอไม่มีปฏิโมกสังวอมันก็ตกลงไปในปในใน ใ, นในาบายภูมใช่ไหมตัวปฏดิโมกสั ง, ส ง, สงวนี่เป็นตัวคำ้ำเป็นตัวป้องกันไม่สัตว์นั้นตกระใบยภูมิ แล้วก็ในส่วนจริงก็ไม่สัตว์นั้นตกไปในสังส า, า, ารวัตรทีนิสสัปฏิโมสังวรไม่ดีไม่แข็งแรงไม่ชัดเจนนี่ที่ไม่เคยกล้ากล่าวกันแรงๆก็คือว่าจริงๆแต่อย่างพวกเราทั้งหลายศึกษภาพธรรมก็พูดขึ้นตรงๆเลยว่าเออปฏิโมสังวรไม่ดีก็ตกอวัยวะภูมิถ้าแข็งแรงก็ไม่ตกเนี่ยนะไอ ต, ตรงนี้เป็นตัวค้าประกันถ้าเราท่านทั้งหลายบอกว่าเออปฏิโมสังวรเราดีไหมก็ดูตรงนี้ ก็คือป้องกันไนดะ้ประการต่อมาก็คือว่าอินเตียสังวรก็คือสติก็สังวรของภิกษุผู้สำรวมมีสี่คือตาเป็นต้นนะก็เรียกว่าจักขุนสีเป็นต้นนะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสติเป็นเครื่องกั้นกระแสในโลกเรากล่าวสติว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสทั้งหลายเราต้องปิดได้ด้วยปัญญาตรงนี้ก็คือไปอยู่ในสุตานิบาตนะคุณตากลิกายสุตตานิบาต ไปอยู่ในนั้นก็มีมีในจุลนิเทศมานิเทศนะ น, นะไปดูตรงนี้ท่านขยายก็ว่าก็หมายความบอกว่าการปิดเพราะเอ่อการการการกา ร, การการกั้นนี่นะเป็นชื่อของสติเป็นเครื่องกั้นกระแสะท่านก็กล่าวถึงว่ากระแสะคือทิฏฐิบ้างกระแสะคือกิเลสบ้างกระแสะคืออวิชชากระแสะคือตัณหาแล้วก็กระแสะคือทุจริตมีกายยตุจริตเป็นต้น กระแสต่างๆเหล่านั้นน่าจะกันได้ด้วยสติแต่สังวรทั้งหลายคือสตินี่แต่ถามว่าจะละกระแสทั้งหลายเหล่านั้นได้ด้วยปัญญาเนะี่ยทวิปัสนาปัญญาละด้วยตรรมคประหารมรรคปัญญาละด้วยสมุเฉต้าปรหารนี่ก็นี่ท่านจะกล่าวไว้ลักษณะนี้ตรงนี้ก็ต้องชัดเจนใช่ไหมทำหํำไมชัดเจนในเรื่องของสติสังวรเป็นเครื่องกันกระแสเนี่ยก็ต้องรู้จักกระแสดีโดยจะบอกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นกระแสที่ร้ายกาจมากใช่ไหม กรแสไร้กาดมากเพราะมันไหลเข้ามาทางวาลตาหูวจมูกริ้นกายใจก็ทําให้ประกอบสัตว์นั้นให้มีความเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเบื้องต้นและในที่สุดจริงก็พัฒนาไปเห็นในความเป็นขาดศูนย์บ้างเป็นของเที่ยงบ้างแล้วก็พัฒนากันไปตามลําดับกลายเป็นนั่นแหละปุกพาปุบปพันตากับปิกาทิถีสิบแปดบ้างอปรันตากับปิกาทิถีอีกสี่สิบสีรวมเป็นนั่นแหละหกสิบสองแล้วก็รวมกับสักยะทิถิอีกยี่สิเป็นหกสิสองเป็นตันตรงนี้เราเนี้ย เพราะเราจะต้องกั้นสตินั่นเองเป็นเครื่องกั้นกระแสะเหล่านี้ได้แต่ละจะละกระแสะเหล่านี้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดใช่ไหมเพราะปัญญาในวิปัสสนาละโดยต่ทางข้าประหารแต่การละโดยแต่ทางข้ประหารก็ดีมากขอให้ทำเถอะในชีวิตประจําวันนั้นขอให้ละได้ถางได้กําจัดเส้นน้ำเก่าคือมิจฉาทิฏฐิที่มันลกลงลังในกระแสะของขันธ์ธาตุญาะของเราท่านทั้งหลายนี้ให้ได้ถ้าละไม่ได้ก็เดือดร้อน ถึงแม้จะละด้วยเจตทางครอาหารก็ขอให้ละใช่ไหมขอให้ละไปเถอะนั่นแต่จะเป็นปัจจัยในการที่จะเชื่อมโยงให้เป็นปัจจัยการพ้นทุกข์เป็นต้นได้แต่ถ้าจะละให้เด็ดขาดก็ท่นานบอปัญญาในมาร์กเป็นต้นสังวรบอกว่าผู้อดทนต่อนหนาวร้อนในชื่อว่าขันติสังวรขันติสังวรกเวนะ็เป็นทั้งศีลด้วยนะเป็นทั้งศีลด้วยตรงเนี้วิริยะก็คือห้ามจากกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกได้กล่าวไปแล้วนะเกี่ยวกังอัตถะของวิริยะ ในสอบหนึ่งดังที่ได้กล่าวสังวรทั้งหมดท่านเรียกว่าสังวรเพราะสํารวมกายเว้นจากอะไรเว้นจากกายยโสจริตเว้นจากวจีทุจริตเป็นต้นที่มีการสํารวมที่คอยกําจัดกําจัดออกไปตามหน้าที่ของตนใครเป็นคนกําจัดวิในนี่แหละเป็นตัวกําจัดออกไปกําจัดกายยโสจริตวจีทุจริตเป็นต้นออกไปแล้วก็ทําให้จิตใจนั้นผ่องใส นันคนที่รักษาศีนเนี่ยใจเขาดีไม่ใช่ว่าโอ้โหคุมแต่กายกับวาจาแต่ใจเป็นไปกาาับลาคะตัวสามโมหะไม่ใช่ศีนเนี่ยใจเขาดีนะแต่เขายังถอนพวกประเภทอย่างสูงไม่ได้นั่นเองทีนี้ประการต่อมาก็เกี่ยวกันในเรื่องของสังวรก็ทราบว่าแบ่งออกเป็นห้าด้ยประการดังที่ได้กล่าวทีนี้การละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นๆด้วยอะไรด้วยวิปัสสนาญาณ น, นั้นๆ สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็หมายความว่าละความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิ manga, ที่มันปรับ ta, แน่นในกระแสของฉันธาติเยตนาของเราท่าน Julia, ทั้งหลายในความคิดเนี่ยเราท่านทั้งหลายคิดแล้วมันออกจากมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เห็นในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยเพราะการละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นๆแต่ถ้าหากมีการละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นนั้นออกได้เนี่ยอันนั้นเขาเรียกวิปัสสนาญาณนั้นๆเกิดขึ้นแล้ว คำว่าวิปัสนาญาณ น, นั้นๆในที่นั้นก็คือวิปัสนาญาณทั้งหลายมีนามรูปปฏิเฉติญาณเป็นปต้นแล้วก็โดยการข้ามนั้นะด้วยความเป็นข่าศึกต่อต่อกันดุดความมืดลาความมืดด้วยแสงประทีปใช่ไหมเพราะปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยโดยเฉพาะปัญญาในลักษณะของวิปัสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นเหมือนแสงสว่างเหมือนแสงประทีป เมื่อจุดออกมาแล้วในะความมืดก็หายไปใช่ไหมความมืดก็คือมิจฉาทิฐิก็คืออวิชาเป็นต้นเหล่าเนี้ฉะนั้นเมื่อแสงสวา่างกล่าคือแสงของปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการล่าสกายาทิฐิทําไมจึงล่าสกายาทิฐิเพราะวิปัสสนาเบื้องต้นเนี่ยเขากําหนดอะไรกําหนดรูปกําหนดเวทนาสัญญาสังขารอิญญาณที่จะเรียกว่ากําหนดรูปนามนั่นแหละล่ความเห็นว่าไม่มีเหตุใช่ไหม คือถ้าไปเข้าใจอย่างถูกต้องใช่ไหมละความเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่ไหมเช่นละว่าเราตัวหนักเราตัวเบาความหนักอยู่ในเราความเบาอยู่ในเราเป็นต้เราอยู่ในความหนักไป็นต้นอะรเนี่ยนะคือถ้าไปละความเห็นผิดต่างๆเหล่านี้ได้เขาเรียกว่ากําหนดด้วยความเห็นในความเป็นลูกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญาณด้วยด้วยความเป็นลูกเป็นนามแล้วในที่สุดจริงๆก็พัฒนาปัญญาไปเรื่อยๆ จนสามารถละความเห็นว่าไม่มีเหตุและไม่มีปัจจัยไปได้เพราะว่าทิฏฐิเวลาเกิดขึ้นในกระแสขันธาตุของเราท่านทั้งหลายนี่นะไอตัวทิฏฐิก็ดีเนี่ยไอตัวปัญโมห oh ะก็จะเกิดตัวตัณหาก็จะเกิดใช่ไหมเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะทําให้สัตว์นั้นลุ่มหลงลุ่มหลงแล้วก็ลุ่มลุ่มดอนดอนด้วยการกําหนดปัจจัยไม่ได้ไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยใช่ไหม ความเป็นไปของปฏิจจ์ความเป็นไปของอิทัิ ป, ปิยตาก็ไม่ชัดไม่เห็นเหตุปัจจัยของนามและรูปแล้วเนี่ยก็เอาแต่การปัจจุบันเป็นต้นกันอย่างนี้นะไม่คิดถึงสหเหตุหปัจจัยจะสาวหาเหตุปัจจัยก็ไม่ได้แล้วลักษณะอย่างนี้เขาเรียกบอกว่าเพราะละไม่ได้เพราะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นแต่ถ้าวิปัสสนาญาณ น, นั้นมีการพัฒนาตัวไปจากการกําหนดพิจารณาไทรครวนไปจากการฟังดีถูก ไอ้ถูกต้องเป็นตัวเหล่นี้ก็จะล่ความเห็นว่าไม่มีเหตุและก็เป็นเหตุรุ่มๆตอนๆ ด, ด, ด้วยการกําหนดปัจจัยทีนี้พอละด้วยการกําหนดปัจจัยเบ็เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อพัฒนาไปเรื่อยๆความสงสัยต่างๆก็จะข้ามพ้นได้ใช่ไหมเพราะอะไรพราะละความสงสัยก็ข้ามพ้นความสงสยัยและในที่สุดจริงๆก็ละการถือว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยการพิจารณากระลาบความสําคัญในสิ่งที่ไม่ใช่มรรคหรือสิ่งที่ไม่ใช่ทาง ว่าเป็นมาร์กด้วยการกําหนดมาร์กและไม่ใช่มาร์กเมื่อกําหนดได้เบสร็จในที่สุดจริงๆก็พัฒนาตัวไปอีกจนการล่าอะไรได้ล่อุเฉททิฐิได้อย่าลืมนะว่าเมื่อสักครู่ที่คุณที่โ ย, ม, ย, ม, ย, ม, ย ม, มอีการถามมาจารมาใช่ไหมถามว่าในอดีตเราเคยมีไหมประเภทอย่างมีแล้วจัดเป็นอดีตได้ไหม อุเฉททีทีเนี่ยจัดเป็นอดีตก็ได้จัดเป็นอนาคตก็ได้ใช่ไหมแต่ในทีเนี้ยท่านจัดกว้างๆเขาไว้เพื่อให้รู้ว่านี่เป็นปุพันตะกับอิกาอันนี้อัปรันตะกับอิกาเนี่ยนะททีเนี่ยว่าเป็นไปในส่วนของอดีตและอนาคตแต่อุเฉททีทิเนี่ยจะเป็นอดีตก็ได้จะเป็นอนาคตก็ได้เพราะมันเคยเกิดขึ้นในกำมลสนดานของสัตว์ทั้งหลายแทบทุกคนเลยไหมเออเป็นทุกบุคคลยังไม่ใช่ครับมาแทบทีนี้ตรงนี้นี่แหละเราจะละอุเฉททีทีได้เด็ดขาด ได้ได้ได้อย่างชัดเจนนะก็ต่อเมื่ออุทธยพยายามเกิดใช่ไหมเพราะตรงนั้นน่ะเพราะเราเห็นเห็นความเกิดทีนี้เห็นความเกิดนี่ยก็ไปเห็นเหตุแต่เราเนี่ยเวลาไปกําหนดวิปัสนาญาณกันเห็นการเกิดไปเห็นตัวมันเกิดใช่ไหมแต่ในวิปัสนาญาณเนี่ย เห็นอุทยะตัวนั้นอะแปลว่าเห็นการเกิดน่ะก็เห็นเหตุก็เห็นเหตุเกิดไอเราไปเห็นตัวนี้มันเกิดแล้วอะไรก็ไม่รู้เกิดเนี่ยนะเห็นเกิดแบบแบบกันอยู่เนี่ยเข้าใจอย่างเนี้ยไปเห็นตัวนี้เกิดยังไงแท้ที่จริงก็เห็นเหตุเกิดว่ารูปประคันที่มันเกิดเนี้ยเพราะมันมีเหตุด้ะเห็นเหตุนั่นคือเห็นอวิชชาเห็นเห็นตัณหาเห็นกรรม เขาเข้าใจตัวนี้ทีนี้เวลาเราไปแปลตามสาบลงแปลดิอา้าวดีเรียนมาลีในะลงแปลด้วยนี่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอุทยาพยาญาณเนี่ยมันแปลดิเห็นเกิดเห็นดับใช่ไหมก็เห็นตัวมันนั่นแหละเกิดและดับตัวมันไม่ใช่คอไมหเห็นตัวรูปนั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารใปัจจุบันเน่ยเห็นเกิดเห็นดับอยู่งั้นน่ะเข้าใจไจริงๆก็ต้องเห็นเหตุด้วย ที่สําคัญที่สุดนะ่ะถามอกว่าทําไมต้องเห็นเหตุเพราะสิ่งเหล่านี้มีเหตุความจริงเขามีเหตุวิปัสสนาญาณต้องเห็นความจริงใช่ไหมไม่ใช่ไปเห็นคุคุมเคลือเครื่อนใช่ไหมต้องเห็นความจริงก็ด้วยเห็นเหตุก็ด้วยตรงเนี้นะจึงบอกว่าเห็นความเกิดเนี่ยนะถ้าถ้าไม่เห็นนะี่ะนะ ถ้าไม่เห็นถ้าไม่เห็นความเกิดถ้าไม่เห็นเหตุเกิดเนี่ยละอุเฉททิฏฐิไม่ได้แล้วละสัตสตาทิฏฐิได้เพราะเห็นความเสื่อมใช่ไหมถ้าไม่เห็นความเกิดและความดับเนี่ยมันก็จะละสัตสตาทิฏฐิไม่ได้แล้วก็จะละอุเฉททิฏฐิไม่ได้นั่นคำว่าอุเฉธทิฏฐิเนี่ยเพราะเราไปเห็นเหตุเกิดใช่ไหมเราจึงเราจึงโอ้มันมีใช่ไหม พอมีเบีเสร็จแล้วละได้พอละได้เบีเสร็จก็เลยละเกิดแล้วว่าโอ้ที่เห็นว่าขาดศูนย์ใช่ไหมว่าจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ไปเข้าใจในเรื่องของเหตุเกิดแล้วก็เหตุดับหรือเห็นความเสื่อมเนี่เหตุของการเกิดขึ้นเหตุของการเสื่อมเป็นต้นเหล่านี้ยมันจะเล่าเฉททิถิละสัตว์ทิถิเป็นต้นไม่ได้ละความสําคัญหมายในสิ่งที่มีภัยว่าไม่มีภัยด้วยการเห็นภัยถามว่าจริงๆมีชาติภัยชาลาภัยพยาธิภัยวรนานะภัยไหม ใชไมมีภัยเป็นไปในเบื้องหน้าด้วยปัจจุบันก็ประสบภัยกันอย่างเงี้ยในดีก็เจอภัยเหล่าเนี้ยให้สังเกตนะวิปัสสนาญาณทุกอย่างเลยเนะี่ยไปไล่ดูเหอะเขาเห็นอะไรคติห้าวิญญาณนาทีตีเจ็ดสตาวาสเก้าต้เห็นแบบเนี้ยหนูเห็นปัญญาเนี่ยโคตรละพูยานเกือบแัดโคตรละพูยานสังขารูปเกฆายานก็เห็นคติห้า วิญญาณนทีติดเจ็ดสัตวะห้า 5, เห็นกันห้าเป็นต้นอะไรเนี้ยที่เป็นไปเนี่ยนะในสามสิบเอ็ดพบเขาเห็นยังเขาเร่าร้อนอย่างงั้นวิบัติญาณเขาเร่าร้อนอย่างนั้ น, น, นเขาเ้าใจใช่ไหมไม่ได้เห็นอย่างแคบแคบมันมันถ้าหากว่าไม่วิจัยสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวก็ไปติดอ แล้วก็ไปติดอีกใช่ไหมเราเหมือนเห็นตรงเนี้ยเราไม่ได้วิจัยตรงนั้นก็ไปติดตรงนั้นอีกสมมติว่าโอ้โหในบ้านนี้เป็นทุกในนอกบ้านเป็นสุขเนี้ยใช่ไหมเราไม่อยากอยู่ในบ้านนี้เราไปอยู่ที่อื่นก็ดีกว่าเงี้ยก็ไปอยู่เงี้ยเพราะวิจัยไม่รอบก็จะเป็นเงี้ยนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าละความสําคัญหมายในสิ่งที่น่าพอใจด้วยการเห็นโทษอาทีนวายานก็จะเกิดเพราะจริงๆแต่ก่อนเราเห็นว่าเป็นความพอใจ แล้วก็ลกความสําคัญหมายในสิ่งที่น่ายินดีด้วยอะไรนิพพิทายานก็หมายความว่าไม่ยินดีนะละความไม่อยากจะพ้นไปด้วยความไขในการที่จะพ้นไปความไขในการที่จะพ้นเนี่ยเขาเรียกปฏิสังขายานในที่นี้ไม่ได้มีนั่นไว้คําว่าปฏิสังขารยานเนี่ยสูงไหมวิรราัติานนี่สูงไหมสูงแล้วใช่ไหมสูงเป็นไงแนละ้วเขาย้อนกลับคำาปฏิสังเนี่ยเขาย้อนย้อนกลับมาพิจารณา ย้อนลำดับวิปัสสนาญาณเลยว่างั้นไล่มาถึงต้นเนี่ยแล้วก็เห็นด้วยความเป็นอ น, นิจจังทุกขังหน้าตายอีกไล่กลับไปจรินี่นก็เรียกย้อนกลับไปถ้าย้อนกลับมาเป็นอดีตไหมไม่เป็นได้ไงใช่ไหมเราได้มาต้องก็ย้อนกลับไปเงี้ยวิปัาาสสนาญาณสูงเลยนะย้อนกลับไปอยไปดูไปดูดิ แล้วเขาไม่กลัวว่าจะหลุดจากวิวัฒน า, าด้วยนะเขาย้อนกลับไปนะยิ่งแข็งแรงวิวัฒน า, ายิ่งแข็งแรงยิ่งชัดเจนขึ้นยิ่งเด่นชัดขึ้นมันจะเป็นอย่างไงมงันย้อนไม่ได้แต่ก็ต่างนั้นก็ไปปืนใช่ไหมไม่ไม่ได้นี่ไม่ได้ไไดไไดปฏิสังขารนี่อีกเพราะปฏิสังขานนี่เขาย้อนกลับอดีตย้อนเลยย้อนทบทวนเลยเพราะเขาต้องการจะทําให้แข็งแรงขึ้นเพื่อจะไปถึงสังการือปเิสังานเนี่ยก็ะจะได้วางเฉย นี่ก็เรียกไข่จะพ้นละความอยากจะเอไม่ละความไม่อยากจะพ้นไปด้วยการที่ไข่จะพน้นแล้วก็ละความวางเฉยด้วยเวขายานที่เวขาที่เป็นสังขารหเวขาญาณ น, นะแล้วก็ละความโต้แย้งต่อสิ่งที่ตั้งอยู่ด้วยธรรมและโต้แย้งพันิพาณด้วยนุโรมยานตอนนี้ก็เรียกอนุโรมริยาสัตว์แล้วนะอนุโรมริยาสัตว์แปลว่าอะไรไหมทิ้งไข่อยากจะทิ้งแล้วเพราะอะไร รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยขัดแย้งกับพระนิพพานไหมขัดแย้งเป็นปฏิปกักษ์ต่อพระนิพพานไหมยั้นถ้าเขาปราถนาพระนิพพานเขาจะเอาขันไหมโอ้ยเขาทิ้งขน้อมจะทิ้งทันทีเขาเบื่อห น, นหน่ายนะน่ารังเกียจนักใช่ไหมอิจฉาละอาใจนักเนี่ยเขาเขาาจะปล่อยแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วบอกเบื่อแล้วใช่ไหมโอ้ยแบกมาอย่างแสนสาหัสในสังสารวัต ก็ขืนเชื่อต่อไปไอ้พี่จ๋าที่ดีเนี่ยมันจะให้เราแบกต่อไปอ่ะแลองแบกไปอย่างยาวนานด้วยใช่ไหมแล้วแบกไปอย่างพูกมืดบอดด้วยแม้คนอยู่กับทุกข์แล้วไม่รู้จักทุกข์เนี่ยกอดทุกข์อยู่ไม่รู้จักทุกข์นี่นะแล้วยังชื่นชมทุกข์อยู่ยังไม่ได้อยากจะพ้นทุกข์เนี่ยมันไปพ้นได้ยังไงใช่มหมยังไปพรรณนาว่าทุกข์งามทุกข์ดีทุกข์ประเสริฐใช่ไหมบอก็อยากพ้นทุกข์ไม่อยากพ้นทุกข์ลูกน่ารักไหมอุ้ยน่ารักมาก <l ots> ใช่ไหมเคยเป็นไหม <l ots> บอกม่อยากพ้นทุกข์แต่ลูกน่ารักจริงๆ <l ots> ไปที่ไหนเป็นห่วงลูกมันขัดแคตขัดกาันพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่ชื่นชมทุกข์เนี่ยเพื่อเพลในทุกข์ยินดีในทุกข์เนี่ยจะพ้นทุกข์ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ฐานนะมันไม่ใช่ฐานนะพ้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมันขัดแย้งกันแล้วใช่ไหมมันขัดแย้งกันแล้ว มันก็ต้องไปนั่งคิดว่าเอ๊ะที่เราอยากจะพ้นรงไัยมันแล้วแล้วเบื่ อ, ม, อ, อ, อมันเบื่อที่โทรศัสนี่ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันเบื่อในโทรศัพท์เพราะเราเห็นแล้วมันไม่ชอบใจไงไม่ชอบใจในะบางทีคนขัดใจเราบ้างไม่ค่อยตามใจเราบ้างเลยเล ย, เลยเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราเบื่อหน่ายขึ้นมาเลยไปสําคัญเลยไปเทียบกันผิดในเดือเ น, นี้ยเอาโทรศัพท์ไปเทียบกันนี่พิทายานคนละคนละคนล ะ, คนละมุมเลยนะใช่ไหมคนละมุมแล้วไปเทียบกันโอ้เบื่อหน่ายก็ว่านิ่พิทายานเกิดแล้ว ไฟเลอยอะไรเรื่องเลยตอนนี้นี่ก็เรียกว่าถ้ า, าว่าละความโต้แย้งต่อสิ่งที่ตั้งอยู่ด้วยทำแล้วก็ละความโต้แย้งพระนิพพานด้วยอนุโลมยานละความยึดถือในสังขารนิมิต ด, ด้วยอะไรสังขารนิมิตเนะี่ยถ้าละความยึดถือถ้าไม่มีสังขารและนิมิตเป็นอารมณ์แล้วเขาเรียกโคตรภูยานนี่แหละตะทังก็ประหารหมดเลยไล่มาเถอะ ตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นมาจนถึงโคตรภูญานนะเป็นตทังขะปะหารเป็นตทังขะะหารเนี่ยตทังขะปะหารเนะี่ยกินถึงเนี่ยโคตรภูญานขนาดมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วตนเองเป็นสังขาร น, นะแต่มีวิสังขารเป็นอารมณ์นะก้าวจากสังขารแล้วออกแล้วใช่ไหมมีหน่วงพระนิพพานเป็นอรมแล้วแต่ท่านก็ให้เป็นตทังขะปะหารเพราะยังถือว่า ยังไม่เด็ดขาดยังไม่เด็ดขาดแม้ขนาดจิตเดียวแม้ขนาดจิตเดียวท่านก็ยังให้เปวททางการะพานนี่คือเวททางการะพานการละนิวรธรรมเป็นต้นเหล่านั้นด้วยการห้ามความเป็นไปด้วยสมาธิเป็นอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิดุดเดือยเหมือนก็แกว่งหม้อไล่สาลายบนผิวน้ําอันนั้นเรียกว่าวิขำพนาฐานการละโมกิเลตันเป็นฝ่ายของสมุทัยนะ ที่ท่านกล่าวไว้โดยนายเมียที่ว่าเพื่อละทิฐิทั้งหลายในสันดานของตนของตนอันมีมรักนั้นนั้นมีโสดาปฏิมรักเป็นต้นนั้นในอริยามรักษสี่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยโดยความไม่ให้เป็นไปอย่างเด็ดขาดเชื่อว่าสมุเทเฉททัพอหารแคนั้นโซดาปฏิมรักก็เป็นละโดยสมุเทเฉททัพอาหารกิเลสเท่าไหรก็ไปไล่ดูใช่ไหมสกาทาคามีมรักอานาคามีมารักษ์อัตตามรักษเนี่ยเขจะละกิเลสได้ตามสภาวะของเขานั้นๆความที่กิเลสทั้งหลายสงบระ ง, งับไปในขณะแห่งผลเรียกว่า ปฏิปสติปะหารการดับอันเป็นการละเครื่องปรุงแต่งทั้งหมดเพราะสลัดเครื่องปรุงแต่งทั้งหมดได้แล้วนั้นเรียกว่านิสรณนาปะหารก็ปะหารทั้งหมดนั้นชื่อว่าปะหารเพราะอะไรเพราะอัถว่าสลัชื่อว่าวินัยเพราะอะไรเพราะว่ากําจัดฉะนั้นท่านจึงบอกว่าปะหานวินยัยใช่ไหมแล้วก็อีกในหนึ่งก็คือว่าปะหารเนี่ยเรียกว่าปะหารวินัยเพราะอะไร เพราะวินัยนั้นนั้นซึ่งละสิ่งนั้นๆแม้ประหารนั้นก็พึงทราบว่าแบ่งออกเป็นห้าด้วยประการอย่างทีไ่ได้กล่าวด้วยประการเะน่นี้วินัยทั้งสองประการโดยสังเขปเนี่ยนะอธิบายโดยสังเขปเนี่ยเพื่อเป็นข้อมูลให้เราทั้งท่านหลายเนี่ยเวลาไปอ่านขยายแล้วมันจะได้ชัดจับประเด็นให้ถูกเนาะเพราะเราจะไปเรียนในพฤสดารเนี่ยเวลาไม่ทันไม่ทันตรงนี้นะแล้วก็ตรงเนี้นะ ขาดสังวรเพราะไม่ละสิ่งที่ควรละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านถึงบอกบอกว่าวินัยทั้งสองอย่างโดยประเภทแล้วเป็นสิบใช่ไหมสังวรวินัยห้าปรหาวินัยห้ารวมเป็นสิบอย่างย่อมไม่มีแก่ปุรุชนผู้ไม่ได้สดับนี้นั้นปุรุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่มีวินัยสองประการแล้วก็มาไล่พิจารณาดูใช่ไหมคื อ, อสังวรวินยัยปุรุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยปาธิโมกสังวรก็ไม่มี ใช่ไหมแล้วก็ตระทังกขาประหารไม่มีสักข้อเลยอ่ะประหารวินัยไม่มีสักข้อเลย อ, อย่าลืมนะถ้าเราไม่มีไม่มีแม้แต่ปาติโมกสังวร น, นะไม่มีแม้แต่ตระทังกขาประหารสักข้อเนะี่ยเขาเรียกว่าปุถุชนแท้เลยอ่ะปุถุชนที่ไม่ได้สดับอ่ะไอ้ตอนนี้มีกันบ้างไหมเนี่ยฮะ กชเาเรียกปุทุชนที่ไม่ได้สดับนะนัตอรดาเป็นปุถุชนปุุชนประเภทไหนสดับมีปฏิโมกสงวนไหมมีสติสงวรไหมมีบ้างค่ะโอ้โหเริ่มบ้างแล้วมีวิริยะสงวรนไหมมีขันติสงวนไหมมีญาณนะสงวนไหมอ่าแล้วมีตะทังก็ประหารไหม นาำรูปปริเจยทายานชัดหรือยังอดังนั้นไม่มีนะไม่มีตททงก็ประหารยะเจริญวะเนี่ยใช่จริบวะใช่ใช่ใช่ได้ได้ได้ ได้ถ้าพิจารณาเป็นนะถ้าพิจารณาเป็นตั้งจงตั้งสมาธิที่เป็นนะได้จริงๆด้วยได้เลยได้เลยไม่ใช่แต่ทางขับอาหารอย่างเดียวสมุทเชีขัอาหารยังได้เลยปฏิปสทติปอาหารก็ได้นิสตระบานเป็นนัดนึงก็ไดฟังก็ฟังเป็นไหมล่ะใช่ไหมก็ภาษาลิบุตรเนี่ยฟังเป็นนใช่ไหมท่านภาษาลีบุตรฟังเป็นได้ได้สมุทเชทขับอาหารเลยใช่ไหมแล้วก็ได้นิสตระปอาหารด้วย เอาท่านกุบอัญญาโกดญญาท่านฟังแล้วได้อะไรได้สังวรห้าได้ป่าหานห้าเลยเอาสิใช่ไหมแล้วพร้มอีกสิบแปดโกดเนี่ยท่านฟังธรรมจักรกับปวัฒนสูตรฟังจบปุ๊บเนี่ยท่านได้ป่าหานวินัยได้สังวรวินัยเลยเข้าใจยังฟังปุ๊บเนี่ยได้เลยนี่แล้วก็ในฟังแล้วคนที่ฟังจากสาวกของพระเจ้าได้ได้ป่าหานได้สังวรทั้งห้าก็เยอะ ใช่ไหมแล้วคนแสดงธรรมอ่ะในขณะแสดงไปแสดงมานี่นะสังวรวินยัยปัญหารวินัยเกิดหมดเลยอะแล้วได้บรรลุเลยอ่ะก็ได้ใช่ไหมสาทยายก็มีมไปดูใน<ๆ>คำพีสัมยุตเตกาลังสาธยายไปเนี่นะได้บรรลุเยอะเลยอ่ะอาจารย์เป็น ใช่เนี่ย ก, ก็การเจริญสติปัฏฐานใช่ไหมการเจริญสติปัฏฐานฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะในกรณีที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยถามบอกว่าในขณะฟังเนี่เป็นสติปัฏฐานไหมใช่ไหมเพราะว่าสติปัฏฐานคืออะไรมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสเรียกว่าสติปัฏฐานก็หมายความบอกว่าในขณะที่ฟังแล้วเนี่ย ถามว่าต้าปาติโมกสังวรเกิดไหมสังวรวินัยเกิดเป็นต้นหรือโดยเฉพาะตะทางก็ประหารเกิดเนี่ยสติปัฏฐานเดินแล้วนั่นแหละสติปัฏฐานเดินแล้ว อ๋อเข้าใจคืออย่างนี้ไอ้ตรงนี้ตอบได้เลยนะประเด็นตรงนี้ก็คือว่าถ้าถ้าถ้ายังลาสกายติถิเบื้องต้นไม่ได้วิปัสสนาญาณเกิดอะไรกระทุณต้องถามข้อนั้นเลยถ้ายังละสกายติฐิเบื้องต้นใช่ไหมที่เป็นนามรูปปริเฉทญาณไม่ได้แล้วที่เห็นเกิดดับนะอะไรเห็นอะไรเห็นสมมตินะถ้าเห็นเกิดดับเนี่ยเพราะเรายังเห็นเห็นด้วยความเป็นสกายทิฐีอยู่ เมื่อเห็นโดยความส ก, กายาทิฏฐิอยู่เราก็ไปเห็นตัวตนนั่นแหละเกิดดับ<ม>การเห็นตัวเห็นตนเกิดดับก็เห็นได้ด้วยมิจฉาทิฏฐิ<ม>ใช่ ม, มเออเ<ม>พราะอะไรตรงนี้เพราะว่าหนึ่งการจะเห็นความแตกดับของนามรูปและปัจจัยของนามรูปให้ถูกต้องนั้นนะ่ะต้องละส ก, กายาทิฏฐิโดยต่ทางข้าประหารให้ชัด<ม>ให้ชัดก่อนถ้าถางเนี่ยนะ ทางมิจฉาทิฏฐิที่รกชัดอยู่ในกระแสของขันธ์าตุอายตนะออกไม่ไม่ได้ด้วยตทางคะปะหารแล้วไม่มีการเผาโดยวิปัสสนาญาณที่เป็นแตทางคะแล้วจะเอาข้าวกล้าปลูกลงในกระแสขันธา์าอายตนะได้ยังไงแล้วจะเอาวิปัสสนาญาณเกิดในใจได้ยังไง อว่เข้าใจเข้าเข้าใจเข้าใจเข้าใจคืออย่างนี้ถึงเข้าใจถึงแม้จะนะถึงแม้จะเดินมาด้วยด้วยสมาธิเป็นปัจจัยฐานเบื้องต้นหรือวิปัสสนาเป็นปัจจัยฐานก่อนสมาธิอันนั้นประเด็นทีหลังประเด็นจริงๆก็ต้องฟังเข้าใจก่อน ถ้าไม่เข้าใจสมาธิที่มิชฉาทิฏฐิถ้าไม่จัดการสักยะทิฏฐิออกจากความเข้าใจเนาะให้ออกจากความรู้สึกที่มืดบอดถือเข้าใจขันผิดพลาดแล้วถามว่าวิคัมพนาเกิดได้ไม่ได้วิปัสนาเกิดไม่ได้ใช่ไหมสมาธิเกิดได้นี่ข่้ข่มได้จริง<ช>แต่วิปัสสนาอยากจะเกิดยังไงเพราะความเข้าใจเนี่ยเป็นอัตตาอยู่เลยเนี่ยยังเห็นโดยความเป็นสัตว์บุคคลเลยเนี่ยจะเกิดยังไงอ่ะ แต่ว่าคนคนนั้นนะสุตตะเขาชัดที่เรียกสุตตะพุทธะชัดแล้วฉะนั้นเขาจะมาสายไหนไม่ได้สําคัญแล้วไม่ได้สำคัญแลญไปลว่าสมาธิจะได้เพราะเขาเข้าใจดีว่าสมาธิก็คือขันขันหนึ่งแล้วเขาต้องการข่มนิวรณเพราะอะไรเพราะมีสูตรรองรับไว้ผู้ที่ข่มนิวรณก่อนแล้วมาเจริญวิปัสสนาเป็นต้นน่ะบรรลุได้เร็วแล้วไม่ค่อยมีอุปสรรคอะเอาดีเขาต้องการขจัดอุปสรรคเขาก็มาสายสมาธิก่อนแล้วสมาธิเป็นบรรทัดฐานแล้วก็เจริญใช่ไหม วิบายนายาแล้วก็บรรุณได้ง่ายสะดวกไม่จริงไม่จริงเสมอไปซึ่งเราอตรว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถละอุินะคะางๆได้การที่่เราาสภาพของอ เชนบิดคือค อ, อย่างนี้ว่ากรณีที่ฟังธรรมใช่ไหมในขณะที่อัฏฐธรรมะปรากฏเมื่อเธอรู้แจ้งอัฏฐรู้แจ้งธรรมะใช่ไหมปลามโดมดเกิดใช่ไหมทีนี้กว่าจะเกิดแต่ขณะที่ฟังไปแล้วเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะถามว่าทําไมท่านเข้าใจเียตุอดีตก็ดีปัจจุบันก็ประโยค่าสมบัติด้วยใช่ไหมแล้วปัจจัยต่างๆรอบข้างดีหมด แล่วดับผู้แสดงธรรมก็มีพระเจ้าหรือสาวกของพระเจ้าชำนาญด้วยเงี้ยนะแล้วเหตุประจัญตัวเดงนก็ครบบริบูรณ์เป็นเสร็จใช่ไหมอัฏฐะก็ชัดธรรมาก็ชัดปฏิยาการปรากฏชัดเลยในใจตัวเอ ง, งนว่างั้นการขจัดสักฤติถินี่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และเข้าใจเพราะตัวเด่นขยายได้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นพยกขันห้ามาท่านขยายอา ย, อายตระได้นะกลุ่มบุคคลเหล่านี้เพราะท่านฟังแล้วท่านชัดเจนเนี่ยใช่ไหมก็แปลว่าทําลายที่ตั้งของมิจฉาทิฏฐิได้ เพราะิจฉาทิฏฐิมีที่ตั้งคือขันห้าบางอายตนะบางธาตุบางเป็นต้นอะไรเงี้ยใช่ไหมท่านทำลายที่ตั้งได้คําว่าทําลายในที่นั้นแปลว่าท่านเข้าใจอะท่านเข้าใจว่านี่ไงที่ตั้งของมิจฉาทิฏฐิท่านก็ทําลายทําลายโดยการเข้าไปเจาะไหมด้วยการใช้วิปัสสนาสัมมาทิฏฐินั่นแหละแล้วก็วิริยะนั่นะแหละเพียรพยายามเพื่อจะรับมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสัมมาทิฏฐิแล้วก็สติก็เพียระลึกเพื่อจะรับมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสัมมาทิฏฐิ บอกสมาธิถี่สมาวายมาสมาสติก็แวดล้อมสมาธิไว้แล้วก็ขยายวงของสมาธิเพิ่มขึ้นอยู่ไหมอัฏฐะปรากฏชัดธรรมะก็ปรากฏชัดเพราะอัฏฐะธรรมะปรากฏชัดในปลาโมดก็เกิดปีติก็เกิดปัจสทธิความสุขก็เกิดสมาธิตรงนี้แหละข่มนิวรได้ตรงนี้แหละข่มนิวนได้จะเป็นอุปจารสมาธิก็ข่มได้นั่นแหละท่านใช้อาศัยฐานตรงนั้นแหลนแหละแต่บางท่านเนี่ยนะ บางท่านนี่นะด้วยบุญเก่าดีเนี่ยไม่ใช่แค่อุปยาละใช่ไหมสมาธิระดับชาติของท่านมาเร็วมากพื้นฐานของท่านดีฟังท่านเข้าใจด้วยเร็วขยายได้ใช่ไหมระดับอย่างภาษาลิบบทหรือพระโมคคัลลานะเป็นต้นเหล่านี้หรือว่าพาร์ที่ท่านทรงแก่คุณทั้งหลายบารมีธรรมก็แก่ก้าวอย่างนี้นะพอท่านมาฟังเป็ดเสร็จแล้วท่านขยายท่านถึงบอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยพยัญชนะน้อยก็ได้ถึงยามากท่านอาจารย์กล่าวไปเถอะ เรื่องขยายร้อยในพันในหมื่นในมันเรื่องของของข้าพเจ้าเองเห็นไหมท่านขยายเองเะั้นท่านพูดแค่ขันห้าเนี่ยข้าพเจ้าจะขยายเป็นอายตนะสิบสองธาตุสิบปดสัจจะอินทร์ปฏิจจะข้าพเจ้าจะขยายเองไหนธรรมะต่างๆเหล่าเนี้ยเพราะว่าท่านอาจารย์มีความกรุณาข้าพเจ้าเท่าไหร่บอกมาเชนั้นเถอะถ้านอาจารย์บอกน้อยเขาเหลือนั้นข้าพเจ้าขยายถ้าอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์มีเวลาบอกขยายแค่นี้ อีกขยายมากกว่านั้นเป็นกิจของกาพยาวยังขยายเองไม่ท่านก็ขยายท่านทําลายที่ตั้งมิฉาทิจเลี่ยงเลยนั้นภาษาริบุตรนั้นจึงใช้เวลาในการไปไข้ควรข้างเยอะใช่ไหมเพราะว่าท่านไม่ต้องการจะบรรลุในช่องทางเล็กๆท่านต้องการจะแหวกช่องทางให้กว้างใช่ไหมเหมือนอุปมาเหมือนคนไปตัดไม้ไผ่ไม่ใช่ต้องการตัดเป็นช่องเล็กๆ แล้วก็สอดไม้ขอเข้าไปแล้วก็ไปกระชากกระลำที่ตนเองต้องการแล้วก็ดึงเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ใช่ท่านถางเกลี้ยงหมดเลยแล้วท่านก็นั่งดูก่อนว่าเออลำไหนที่ท่านจะหยิบมาแล้วท่านเดินไปเอาอย่างสบายเลยตัดเอาลำที่เสวยที่เสวยแล้วก็ออกไปเนี่ยวิปัสสนาญาณของภาษาลิบุตรนั้นน่ะจึงไข้ครวนวิปัสสนาญาณของสาวกทั้งสิ้นได้เลยเอามาไปเอามาไข้ครวนหมดเลยฉะนั้นท่านบรรลุด้วยความกว้างขวางทีนี้ถามว่าอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ย เข้าใจเชเพลตี่ว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิในขันห้าให้ชัดถึงแม้ขยายด้วยความกว้างขวางไม่ได้เห็นไหมทั้งหมดอมันแล้วแต่ปัญญาใช่ไหมใช่แต่ต้องชัดนะถอนสักยญทิฏฐิที่เป็นต่ทางค่ะตรงนี้ต้องชัดจะไปต่อวิปัสสนาส ม, มาธิอะไรอันนั้นอันนั้นอีกที เพราะว่าจริงๆแล้วต่อไปเขาละความเข้าใจในบริบูรณ์แล้วถ้านามรูปปริเฉ ท, ทยานไม่เกิดเลยเนี่ยความเกิดดับจะเกิดยังไงถ้าเกิดดับก็แปลว่าไม่ใช่ไหนไม่ใช่เห็นนามรูปไปเห็นสัตว์บุคคลเกิดดับบ้างไปเห็นอัตตาตัวตนเกิดดับเป็นต้นบ้างแน่นอนต้องถอนสักยะที่ถี่ถึงจะถึงจะชัด แน่นอนผ่านวิบัตินายานเลยต้องผ่านวิบัตินายาณดำดับเลยเพราะตามตามกฎเกณฑ์ถ้าไม่ผ่านขึ้นไม่ได้จริงอ่ะถ้าเราเรียนทิฏฐิมาเราจะรู้เลยเนะี่ยเรียนแบบคร่าวๆเราจะเห็นเลยว่ามิจฉาทิฏฐินี้ก็เป็นกันดานจริงๆแล้วเป็นเหวด้วยคืออย่างนี้นะทําไมท่านถึงอุปมาว่าเป็นเหวเพราะขึ้นได้ยากก็เราขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ขึ้นจากเหว้อนี้ไม่ได้แล้วจะวิปัสนาอะไรจะเกิด ถามตัวเองหน่อยที่ว่าวิปัสนาอะไรเกิดมันเกิดได้ยังไงอ่ะก็เรายังขึ้นจากเขียวคือทิถีไม่ได้ออกจากกันดานคือทิถีไม่ได้ใช่ไหมออกจากรบชัดคือทิถีไม่ได้แล้วมันเกิดยังไงต้องเอะใจตัวเองแหละมันเกิดอย่างเนี้ยมันจะต้องผิดปกติแน่นอนมันจะไปเกิดพร้อมกับความเข้าใจผิดได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด โดยสามัญสำนึกมันก็ไม่ได้แล้วเอาอย่างนี้ว่าจะจะขึ้นระดับมัธยมแต่ไม่ไม่เรียนประถม <c oughs> ใช่ <c oughs> บอกยังเลยผมยังผสมอะไรไม่ได้เลยแต่ผมต้องการเรียนมัธยมท่างโลกยังไม่ได้แล้วพระธรรมเนี่ยมิจฉาทิถีเนี่ยต้องขึ้นปีนออกจากเข้าได้ คือเข้าใจเขาถามออกจากความรู้สึกให้ชัดสุตตะในเรื่องนี้ต้องชัดใช่ไหมท่านถึงบอกว่าบรรลุได้เนี่ยเพราะมีสุตตะเป็นปัจจัยอ่ะเป็นเหตเุก็คือฟังให้เข้าใจตรงเนี้ยเพื่อจะได้กําหนดถูกพอกําหนดแล้วใส่ใจถูกว่านี่คือมิจฉาทิฏฐิมันถึงเห็นความเกิดดับชัดถ้าที่เห็นเกิดดับโดยโดยยังเห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่อันนี้นี่ น, นี่คลาดเคลื่อนแล้วคือทั้งอัดทั้งพยัญชนะคลาดเคลื่อนแล้ว การเคลอนแน่นอนเข้าใจยังมองเห็นไหมนั้น ต, ตรงนี้ก็ถ้าเราไล่เวียนนัยนเราจะเห็นใช่ไหมตรงนี้มาถึงพยายามมาไล่ตรงนี้ก่อนก่อนที่จะตามไปดูที่ถี่เทียอย่างเราเรียนขึ้นเรียนลงไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นปนัญหาเพราะยัต ง, นนยงต้องเรียนดิ่งนานใช่ไหมยังต้องเรียนดิ่งนานอ่าประการต่อมาก็คือว่า ทำไมแว่นมันมองไม่ค่อยชัดหรือตามองไม่ชัดเองนะอ๋อไม่แปลกพอใส่พอใส่นี้แล้วกับมองรูปังอัตาโตสมาุปัสสติเนี่ยตรงนี้ก็คือบอกว่าในคำนั้นเพื่อการทำให้แจ่มแจ้งใช่นะท่านทำเทศนาอันมีปุกกลาทิฐานจึงอ้างปุรุชนก่อน ถามว่าพระเถระท่านภาษาไดบุตรท่านอ้างถึงบุตรชนอย่างนี้แล้วบัดเนี้ยท่านก็จะแสดงอุเทศแห่งการถือผิดว่าเกี่ยวกับวิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนนะรูปังอัตโตสมุนุ ป, ปัสสติเนะี่ยในคําเหล่านั้นข้อว่าย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนเนะี่ยรูปังอัตโตสมุนุ ป, ปัสสติได้แก่เห็นรูปประขันและกะสินะรูปโดยความ ด้วยคิดถี่ว่าเป็นตัวเป็นตนตรงนี้เห็นชัดเห็นชัดตรงที่ว่าถ้าอย่างเนี้ยอธิบายง่ายอธิบายง่ายก็ตรงที่ว่าเราเข้าใจตามท่านได้ง่ายอ่ะตามท่านได้ง่ายก็คือว่ากลุ่มที่ท่านเจริญกระสินแล้วได้ปฏิภาคคณิมิตพอได้ปฏิภาคคณิมิตเนี่ยนะพอจิตท่านคิดขยาย ปฎิภาคก็ขยายพอคิดย่อมันก็ย่อคิดให้เป็นส่วนกว้ า, วางส่วนยาวต่างๆมันไปตามความคิดหมดเลยเข้าใจไหมนั้นพอพอปฏิภาคกระมิศเกิดจะเป็นอย่างงั้นท่านเลยสําคัญบอกว่าเรากับปฐวีกสินเนี่ยเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเพื่อสำคัญผิดเลยเนี่ยคนไม่ได้ผ่านิบัตนาญาณเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ย ต่อใหเจริญกระสินว่าก็ผิดเวไปสําคัญที่อย่าขยายกสินไปกว้างนะกว้างเท่าไหรก็สําคัญว่าตนนะมีกว้างมีมากขนาด น, นั้นมองเห็นไหมถ้าในลักษณะนี้เขาเลยไปสําคัญว่าตนหรืออัตตากับรูปเนะี่ยกับปฐวีกสินนั่นแหละเป็นอันเดียวกั น, นก็ใช่ ทีนี้กระลงจะมาขยายเข้าสู่ภายในตัวเราเนี่ยถามว่าอย่างี้ผมอะ่ะผมกับทิศทีเนี่ยเป็นอันเดียวกันไหมใช่เป็นอันเดียวกันไหมใช่ผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไล่ไปดิอาการสามสองเนี่ยเป็นคนละส่วนของมิจฉาทิฏฐิไหมของทิฏฐิเจสิกไหมคนละส่วนคนละส่วนใช่ไหมเมื่อเป็นคนละส่วนทําไมเราไปสําคัญว่าผมของเรา เห็นไหมเราไปสําคัญว่าผมเราเลยนะแล้วไปสําคัญไหว้คำว่าผมเราเนี่ยถ้าใครทําผมเราชื่อว่าทําเราจริงๆเลยนะเอาทีร้องมีใครมามาดึงกระชากผมเราดิเรื่เรางงอธิบายไปงงเนี่ยนะเจ๊มะเราจะมีความรู้สึกโกรธไหมถ้ามีใครดึงกระชากผมเนี่ยโกรธเลยใช่ไหมเพราะความสําคัญว่าเราเขาทําเราเอางี้ ขอพายนะว่ามีใครเอาของไม่สะอาดมาทาผมมึงือมีความรู้สึกว่าเขาทำเราเลยไหมแต่ทำไมพระอาริยะท่านไม่มีความรู้สึกเนี่ยใช่ไหมที่พระสารีบทเดินไปบินบาบเนี่ยมีพระรามด้านหนึ่งไปทุบหลังด้านหนึ่งนะท่านก็ไม่สำคัญว่าเขาทุบเราเพราะท่านถอนสักรยที่ทีออกมาแล้ว <laughs> อย่างเราอย่าไปโต้ ก, ก็นะ เร า, เราโอ้โหความเป็นตัวเป็นตนมากใช่ไหมเนี่ยมิจฉาที่เราไม่เจริญสสวิปัสนาจะไหมตะวิปัสนาสมาธิที่ออกมันจะค่อยๆแกะนะไอ้ความเข้าใจตรงเนี้ยน่นเข้าน่านเข้าจะเปื้องตนตรงนี้ออกไปเรื่อยๆแล้วความยึดมั่นตรงนี้มันจะค่อยๆ ค, ค, คลายไปน่นเข้าจะปัญญาจะมาทํากิจแทนแล้วก็จะมีความเข้าใจและในที่สุดจริงๆนั้นนะ่ะเจอกระทบกระทั่งก็ความโกรธก็จะลดไปเรื่อยๆเอย ๆ, ๆเพราะว่ามิจฉาที่ทีเนี่ยนะ มันจะไปยุ้ความโกรธเอาโกรธมันเลยโกรธมันเลยมันทาําเรามันทาําเราใช่ไม่ใช่โอ้โหมันไม่เคยเห็นแก่นหน้าเราไอ้อนะั่นก็ว่าไว้นะมันกระสารพัดเล่นในที่สุดจริงๆก็เล่นงานใช่ไม่ใช่ฉะนั้นตัวสักยะทิฐินี่แหละที่มันเป็นต้นต่อของความโกรธความโลภทั้งหลายและเป็นความถือผิดอะไรอย่างมากมายนะ เราลองคิดดูนะว่าทําไมพระ ย, ย่าท่านนอนกับดินได้เนาะที่ธรรมาที่บอกรู้ก่อนบระเสระเออข้าเดือบัตเสระทะําไมท่านนอนหลับแล้วในที่อย่างนี้ท่านก็ย้อนกล่าใช่ไห ม, ไมก็บอกว่าอาตมาถอนลูกศรที่ปักอยู่ในอกออกได้แล้วใช่ไหมถ้าคนที่ถอนลูกศร อ, ออกเม็ดถูลูกศรเสียบอยู่ยังนอนหลับได้แล้วอาตมาถอนลูกศร อ, ออกได้แล้วทําไมจะนอนไม่หลับแล้ว ลูกศรในที่นั้นก็มีฉายที่ถีเนี่ยท่านถอนออกแล้วทำไมท่านจะนอนไม่หลับก็คนี่ก็มีลูกศรเสียบอกกันเนี่ยก็นอนหลับกันสบายทุก ว, วันเนี่ยใช่ไหมแล้วคนไม่มีลูกศรที่แท้มทางในใจใช่ไหมทําไมท่านจะไม่หลับแล้วให้สังเกตดู น, นะว่าดูดูตัวอย่างหลายๆตัวอย่างแล้วจะเห็นชัดว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยเวลาตอนที่เป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยออกจากวังไปไปรับอาหารเนี่ย เห็นไหมอาหารที่โอ้โหแสนจะโสโปรกท่านก็พิจรารณาแป๊บเดียวเลยฉันได้เลย<ม>เห็นไหมความที่ท่านวิปัสสนาสมาธิที่ท่านแรงนะแรงตั้งแต่เป็นคราวาสเป็นคราวาสเนะนี่ยนิพพทายานท่านเกิดเนี่ยนะที่ท่านออกมานะไม่ใช่ว่าเป็นวิญาณต่ดำๆนะวิปัสสนาญาณท่านเกิดฉะนั้นเวลาท่านจะไขขรวันเรื่องของโสโปกของอะไรต่างๆที่เราเข้าใจกันทั้งหลายเนะี่ยท่านไม่ขยาขยงเลย แล้วดูเราทีใช่ไหมดูดูความสําคัญในเราหรือหรือถ้าเราดูอย่างพระรัตรปาละที่ว่าเขาจะเอาขนมบูดไปทิง้งอันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเออความเป็นตัวเป็นตนนั่นถอนเกลี้ยงเลยอ่ะนี่เราก็เปรียบเทียบกันเราจะเห็นจะเห็นชัดว่าอ๋อคนที่ราศกรยติถิเป็นแบบนี้ความสําคัญหมายดีความเป็นตัวเป็นตน ต, ต่างๆนี่ใช่ไหมถ้าอย่างเราเนี่ยเออถ้าถามอกว่าอย่างที่โยมน้ามามาบอกว่า ฟังเนี่ยเข้าใจแล้วสามารถเกิดได้ไหมนามรู ป, ปรเบเชได้เกิดได้ด้วยเพราะการวิจัยอย่างต่อเนื่องเนะลองวิจัยดูทียอมวิจัยวันนี้นะแล้วเกิดความเข้าใจจริงๆนะใช้วิปัสสนาสมาธิทิวิจัยความเพียรในการที่จะละมิจฉาทิฏฐิเพื่อจะเข้าถึงสมาธิิสติตามลึกเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสมาธิิลองเพียรพยายามไวเรื่อยๆนะครับก็เกิดแล้วก็ส ม, มาสังกปะ แวดล้อมสมาสังกปะแวดล้อมสมา ว, วายาสมากรรมิตาสมาชีวามอวิมัติสมาสติเนี่ยลไล่ไปทีแล้วในสุดก็เกิดนี่เป็นอย่างนี้เข้าใจใไหมงั้นมันจะเป็นไปในลักษณะอย่างเนี้ยทีนี้ด้วยความเพียรอย่างต่อเนื่องของเราก็ไม่ค่อยเกิดใช่ไหมเวลาเราศึกษาวิธรรมกันไปแล้วก็ทิ้งอันนี้โดยหลักความเป็นจริงแต่ว่าจะเป็นยังไงศึกษ า, ก า, กกษ า, กากแล้วก็ทิ้งศึกษาแล้วก็ทิ้งแล้วก็มาฟังต่อ ฟังตอแล้วก็มีแต่โอ้เรื่องนี้ฟังแล้วเรื่องนี้ฟังแล้วแค่นั้นแหละแล้วก็มันไม่ได้ละอะไรเลยตรเนี้ยถ้าเราจะฟังเก็บเอาความรู้เนี่ยในส่วนจริงเราก็ไม่ได้ละอะไรมันต้องเอามาเจริญเอามาไข้ครัวเอามาพิจารณ า, ามาไตรตรองจริงจริงแล้วได้ไม่ใช่ไม่ได้นะนะเพราะในเรื่องของชั้นแรกๆเหล่าเนี้ยนะชั้นแรกๆต่างๆเหล่านี้ยระดับอย่างเราท่านทั้งหลายในเพียรเพียรหน่อยก็เกิดใช่ไหมมัน คอเพียนยังต่อเนื่องเหรอแต่ไม่ใช่ว่าสิบนาทีอย่างนี้แม่ไม่ได้นะถ้าสิบนาทีนี้ไม่ได้แนละ้วโอ้ยถ้าอย่างภาษาญี่ปุ่นนี่ได้แต่ว่าปัญญาต้นคมมากไนงะแต่อย่างเรานี่โอ้ยต้องต้องเล่นนานกว่า น, นั้นเยอะเจ๊มะแล้วแล้วเวลาใครควรพิจารณาไปก็อย่าไปเกงใจทิฏฐิเกงใจกิเลสเหมือนมั้ยเจะอยเกงใจพอทิฏฐิขอรองหน่อยแกนะหนูทาดีทำด่าเนี่น แล้วไม่ต้องกลัวนะว่าถ้าละมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยความเห็นด้วยความเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่มันจะหายไปไม่ได้หายใช่ไหมแล้วความเข้าใจถูกด้วยรักทัานในถูกขึ้นด้วยไม่ต้องกลัวว่าเอ้ถ้าเกิดละอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราจะต้องทิ้งลูกทิ้งบ้านหรือเปล่าไม่ใช่กลัวอย่างนั้นไหมนั่นก็ไปไข้ัวรนี่นะนั้นตรงนี้ก็คือว่าตรงนี้ก็คือว่าความ ย่อมเห็นโลกด้วยความเป็นตนเนี่ยนะย่อมเห็นโลกด้วยความเป็นตนดังที่ได้กล่าวว่าก็คือย่อมเห็นรูกประขันและกสินในโลกด้วยความเป็นด้วยทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนก็คือบางทีเราไปเห็นโลกประขันนั่นแหละถ้ากลุ่มที่ได้ฌานสมาบัติก็ไปเห็นไอ้ตัวโลกกสินเป็นตัวเป็นตนเหมือมนุษย์เราเนี่ยที่พูดวันก่อนนะว่าสิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งก็คือคนที่คิดอะไรแล้วมักจะได้อะไร คิดไห้วันนี้สงอนใจเหมือนจะได้อะไรแล้ ว, ลวมันได้อยู่เรืเ่อยพเคิดไปเค็ดมาเลยแหมเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตนกันมาเยอะมากเลยคนประเภทเนี้ย <c oughs> เพราะว่าพรหมทั้งหลายใช่ไหมก็คิดแบบเนี้ยทำไอ้ที่ว่าอภัสดระรหมล่วงมาอยู่ในชั้นมหาพรหมเนี่ยในปฐมฌานภูมิเนีพอล่วงมาอยู่คำว่าล่วงในนี้แปลว่าท่านหมดอายุนะแล้วท่านทําปฐมฌานได้ก็เลยมาเกิดในปฐมฌานภูมิตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่ แล้วต่อมาท่งนกคิดเหมือเงาเหงาถ้ามีคนมาอยู่ด้วยก็ดีนาเข้าก็มาจริงเงี้ยอ้าวคิดไปก็ยิงมาใหญ่คิดไปก็ยิ่งมาใหญ่เนี้ยนะนาเข้านาเข้าเลยสําคัญว่าเอพวกนี้สงสัยเพราะความคิดของเราจึงเกิอดอย่างงี้นะถ้าคิดที่ใดเกิดทุกทีสงสัยเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้เนรมิตบุคคลที่ถูกมาที่ใดก็มาเห็นอย่างนี้ก็เลยเ อ, อ้าวท่านพวกนี้คงสร้างเราจริงก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยประการต่อมาก็คือว่า แต่ในนิเทศนะท่านไม่ได้กล่าวว่ารูปว่าความถือผิดในรูปประการของบุรุชนปรากฏเพราะอธิการแห่งเบญจขันธ์<ม>แล้วกล่าวถึงกับสินธโรปเองด้วยความเป็นสามัญว่าบอกว่ารูป<ม>เห็นตนมีรูปรูปรวันตังวาอัตตานังเนี่ยถือสิ่งที่ไม่มีรูปว่าตัวตนแล้วก็พิจารณาตนว่ามีรูปเนี่ยนะตรงนี้เดี๋ยวไล่ไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปขยายตรงนั้นอีกทีนะ บอกว่าสิ่งไม่มีรูปว่าตัวตนและพิจารณาเห็นตนว่ามีรูปคําว่าเห็นรูปในตนบ้างอัตตานิวารูปังก็จะแก่ถือสิ่งไม่มีรูปนั่นแลว่าตัวตนแล้วก็เห็นรูปในตนคําว่าเห็นตนในรูปบ้างรูปัสมิงวาอัตานังก็ได้แก่ถือสิ่งไม่มีรูปนั่นแหลว่าตัวตนแล้วก็เห็นตนแลในรูปเนี่ยในคําเหล่านั้นด้วยคําบอกว่าเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างรูปังอัตโตสัมโนปัสสิท่านถือเอารูปล้วนๆว่าเป็นตัวเป็นตน ไอ้ตรงนี้ก็หมายความว่าให้ไปไล่ตามลําดับดังที่ได้กล่าวไปไล่รูปประคันนะไล่ปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุนี่ยคือบางคนก็ไปสําคัญปฐวีโดยความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราใช่ไหะไปสําคัญน้ําบ้างไฟบ้างลมบ้างสีกลิ่นรสโอชาต่างต่างเหล่านี้โดยความเป็นตนก็ไล่ไปตามลําดับในกลุ่นของรูปประคันในรูปที่สแปดน่ะก็ไล่ไปตามลําดับเลยในะไล่ไปตามลําดับเลยก็เปสําคัญว่า รูปประคันด้วยความเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้นะทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าเห็นรูปด้วยความเป็นตนนะกล่าวรูปลนๆแล้วก็ไม่ใช่รูปในฐานะเจก็เห็นตนว่ามีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความเป็นตนท่านกล่าวเป็นตัวเป็นตนท่านกล่าวถึงตัวตนด้วยรูปและอรูปในฐานะสิบสองอย่างด้วยองหน้าแห่งเวทนานะ เวทนาสามในขั้สี่อย่างเห็นเวทนาเห็นว่ามีเวทนาเห็นเวทนาในตนเห็นตนในเวทนาเป็นต้นรวมรวมเป็นทิฏฐิยี่สิบเหล่านั้นนั่นแหละในบรรดาทิฏฐิเหล่านี้ห้ามมัดท่านบอกว่าไม่ห้ามสวรรค์เดี๋ยวกล่าวตรงนี้ก่อนนะนี่ในหนึ่งนะประารานโดยโสดาไปดิมักใช่ไหม ถ้าไปเจอในชั้นของพระอัตริอาจารย์ทั้งหลายนั้นมีสองมุมตรงนี้คิดให้ดีบอกว่าสักยทิฐิในที่นี้ห้ามมรรคถ้าใครมีสักยติฐิเนี่ยท่านจะไม่ให้บรรลุมรรคถ้าห้ามมรรคในที่นั้นก็แปลว่าอะไรห้ามวิปัสสนาด้วยถ้ายังไม่ใช่ไหมเพราะวิปัสสนาเป็นมรเป็นปุนพพคของมรรคเหตนท่านห้ามมรรค ถ้าหากก็ไม่มีวิปัสนาสมาธิทีใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจตรวเนี้ยเดียจะเข้าก้าวเข้าสู่ปุพพะของมาร์กยังไงเขาจะชาร์จไว้ในเนี้ยท่านห้ามมาร์กเขาไว้ทั้งเพราะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าอย่างนั้นถ้าคนเป็นมิจฉาทิฏฐิยังไม่เข้าใจมิจฉาทิฏฐิและเจริญวิปัสนาได้พระพุทธเจ้าก็ จะอุบัติเกิดขึ้นทำไมเพราะว่าบุคคลที่เขาคิดเองกันเยอะแยะที่ได้ฌานสมาบัติใช่ไหมทำปฐมฌานตุวเทวชายทำยันต์อักในวานุนารูปฌานสี่นั่นทำยันต์สมาบัติทำยันต์พิญญาหนึ่งและลึกได้ทั้งสี่สิบกับแต่ก็ห้ามมักไหมเพราะท่านเหล่านั้นน่ะไม่เข้าใจแม้แต่นามรูปปิิเทญญาเลย แม้ฌานยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเลยแม้ฌานก็เป็นไม่จ่าทิฏฐิไม่มีแม้กระทั่งฌานนะสมาทิฏฐิพราะไม่เข้าใจฌานหลงในฌานเนี่ยจะเป็นสมาทิฏิได้งไงใช่ไหมใช่อันนี้ก็ต้องให้ชัดลงไปเสีอต่อไปก็เออนี่เข้าใจแล้วใช่ไม้มไม่ต้องไม่ต้องกลับมา <laughs> พูดกันอีกแล้ว <laughs> <laughs> เหนื่อยแล้วพูดเรื่องนี้นะ น, นี่เข้าใจชัดเลยนะแต่นี้นะหวังว่าอีกเจ็ดแปดวันกลับมาคงไม่ พอวันศุกร์เลย <c oughs> มานึกเอาเองให้มันมีความสุขเอาไว้ <c oughs> จะได้บู๊ใช่ไหม <c oughs> ก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าแต่นี้เข้าใจแล้วใช่ไหมท่านห้ามมาัดครับครับเพราะว่าห้ามห้ามสัมมาทิฏฐิ ถ้าถ้าตรงนี้มันก็เป็นประเด็นในการที่เราถ้ามีคนสอบถามแล้วก็บอกตามรายละเอียดของประจันเจริญบอล อ, อะไรนะมาก้ า, าราชกาทำไมนะโ อ, อเจริญบอลช้ เพราะว่าคนคนนั้นที่ได้ฌานมาได้ไม่มีการรอบรู้ในเรื่องฌ า, าน<ม>ใช่ใใช่ก็คืออย่างนี้จริงอยู่เนาะในมาคเตติตถ้าก็มีคนก็ย้อนกลับมาว่าเอา้าในนั้นปัญญาประกอบอใช่ไหมทำไมไม่เรียกว่าเป็นสมาธิติ ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วปัญญาไม่ได้ท sure ํากิจในฐานะเป็นประธานนะต้องบอกเนืงเพราะว่าตอนนั้นปัญญาแล้วเขาไม่ไ hmm ด้เกิดขึ้นจากความเข้าใจในเรื่องของน้ํารูปเลยเลยใช่ปัญญาจริงๆที่จะชื่อว่าสมาธิินั้นต้องรู้จักสมาธิิรู้จักมิจฉาทิฏฐิถึงจะเรียกว่าวิปัสนาสมาธิฐฉะนั้นปัญญาในที่เราเน้นว่าไม่มีวิปัสนาปัญญาไม่มีวปัสนาปัญญาเขาไม่มีวิปัสนาปัญญา แล้วแล้วเขาไม่เข้าใจเขาถ้าเขาเข้าใจนามรูปปริเจต ย, ยานเนี่ยเขาไม่เป็นงนั้นหรอกเขาไม่ออกนอกทางอย่างนั้นหรอกและฉะนั้นอย่างเราท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิเลยเกิดได้ยังไงต้องต้องเองใจตัวเองทันทีว่าเกิดได้ยังไงใช่ไหมไม่ใช่จะไปพูดเพื่อขัดขวาง ค, ค, คู่เกิดใช่ไหม เพราะจะเกิดขึ้นโดยไม่มีสุตตะไม่ได้ต้องยืนยันข้อนี้เพราะในยุคนี้มีแต่สุตตะพุทธะต้องมีมีการฟังเป็นเหตุเป็นปัจจัยเท่านั้นต้องมีการฟังที่ถูกต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยเท่านั้นถึงจะเกิดเพราะว่าสุตตะพุทธะกำกับเอาไว้เลยมีการฟังเป็นเหตุให้บรรลุอ่าถ้ามีคนบอกว่า เขาฟังมาในอดีตนานแล้วใช่ไหมปัจจุบันไม่ต้องฟังก็ได้แล้วก็บอกว่าภาษารีบูตรฟังมาหนึ่งอสงไขยภาษารีบุตรยังต้องมาฟังใหม่ทําไมภาษารีบุตรไม่เป็นนั่งเองแล้วบรรลุเองล่ะฉะนั้นการฟังในอดีตมาจริงแต่มันมีพบขั้นเขาไวใช่ไหมมันมีข้อจํากัดว่าต้องมีการรับแสงพระธรรมของพระเจ้า เพราะเราเกิดมาในข่ายพยานของพระองค์ต้องมีข่ายพยานหรือพระ ธ, ธรรมเทศนาของพระองค์อ่นั่นเพราะจะต้องเป็นบุตรของท่านจะต้องเป็นบุตรของท่านเกิดแต่อกของท่านพระธรรมของท่านต้องในรมิต ท, ท่านนั้นจะไปไปอุปโลกเองไม่ได้อันนั้นปิดประตูไปแล้วจะมาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้ายุคนี้ก็ไม่ได้จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เพราะในการศาสนาของท่านยังไม่สิน้น อันนี้ก็เป็นการปิดประตูไปใช่ไหมว่าว่าจะได้จบกระบวนการตรงนี้ไปว่าเออเป็นอย่างนั้นได้หลักจริงๆเป็นงนั้นเราไม่ได้ค้านการบรรลุของท่านเราไม่ได้ค้านเราต้องการชี้แจงไปตามคําสอนและเหตุผลบอกท่านอย่างนั้นเราไม่ได้ไปค้านเราไม่มีประโยชน์ในยุคนเนี้ยพวกกันทั้งนั้นแม้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเราก็ยังลอยคออยู่ในสังสารวัตทั้งนั้นถ้าทําว่าอย่างไงก็ว่ากันอย่างนั้น นี่ก็จบเลยใช่ไหมแล้วก็เป็นอย่างนั้นเราพูดกันได้ไม่ต่ อ, อเรากล่าวอย่างนั้นไปที่ประการต่อไปก็คือว่าท่านห้ามก็หมายความว่าทิฏฐิสักยะทิฏฐิยี่สิบเหล่านั้นน่ะท่านห้ามมัดนะแล้วก็ไม่ไม่ห้ามสวรรค์ถ้าจะประหารได้อย่างเด็ดขาดก็สโสดาปฏิมัดที่บัด น, นี้พระเถระจะชี้แจงถึงรูปนั้นจึงกล่าวคําเป็นอาทิบอกว่ารูปอย่างไรกระถางรูปังเนี่ยนะ ในคําเหล่านั้นคําว่าปฐวีกสินปฐวีกสีนางนะได้แก่ปฐวีกสินอันเป็นปฏิภาคคณิเต ท, ที่เกิดขึ้นเพราะใส่ปฐวีมวลช น, นคำว่าปฐวีมวลนในที่นั้นคือเอาดินมาทําเป็นวงอะ่ะทําเป็นวงกลมเนะี่ยในหลักสูตรที่เรียนกันมาก็คืบหนึ่งกระสีนิ้วก็ทําเป็นวงกลมนั่นแล้วก็ปฐวีมวลนเป็นอย่างนั้นเอามาทําเป็นวงดินโดยการแผ่ไปทั่ว จากการได้ตรงนั้นแหละแล้วก็มาแผ่มาขยายไปทั่วความสําคัญหมายคําว่าเราท่านหมายถึงตนเองนั่นเองแต่อัตตังคือควาว่าตนได้แก่อัตตา น, นังเนี่ยว่าไม่เป็นสองนี่นะหนึ่งเดียวนะไม่เป็นสองเมื่อปฏิีบน้ํามันได้แก่ปฏิบมีน้ํามันกําลังลุกโพงอยู่เนี่ยนะลุกโพงอยู่เปลวไฟอันใดแสงสว่างก็อนั้นนั่นเป็นข้อเปรียบเทียบ ท่านเปรียบเทียบบอกว่าตนเนี่ยนะคนบางคนไปยึดถือเป็นสําคัญรูปเป็นเราใช่ไหมเราเป็นรูปรูปกับเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอะไรเหมือนแสงสว่างเหมือนแสงสว่างกับอะไรเหมือนกับไอการลุกโผลงของเปลวไฟนะเปลวไฟอันใดแสงสว่างก็อันนั้น แต่สำคัญว่าไอ้ตัวเปลวไฟกับแสงสว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคนบางคนก็เป็นสําคัญว่าผมก็เป็นเราขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกรินกายใจเป็นเราใช่ไหมนันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยอะ่ะใครใครมามาชื่นชมผมก็ชื่นชื่นชมเรา ใครมาติเตียนผมก็ชื่อว่าติเตียนเราใช่ไหมฟันก็เป็นของเราใช่ไหมอันหนึ่งอันเดียวกันเลยใครมาชมฟันก็ชื่อว่าชมเราด้วยใครมาติเตียนฟันเราก็คือติเตียนเราด้วยนน เ, นเนี่ยเป็นเงี้ยนี่เข้าความสําคัญอย่างเงี้ยเอ๊ะถามว่าในชีวิตจริงไงตอนนี้ละได้ไหมความเข้าใจผิดตรงเนี้ยยังเลยเลยเอ๊ะเรียนมาตั้งนานแล้วยังไม่รีดสาสางบ้างเลย ตอบเรื่องจริงเลยนอะแล้วแล้วมีละได้เป็นบางขนาบ้างไหมมีค่ะเมื่อขณะที่ปัญญาเกิดขึ้นน ะ, ะแล้วละได้ยาวๆไหมไม่ยาวะละแล้วไปปล่อยทําไมน <c oughs> ี่ตรงเนี้ปปยเมื่อมันละได้แล้วท่านบอกอยังไง <c oughs> ถ้าสมาธิเกิดมาแล้ว <c oughs> ก็เอาสมาธิไปแวดล้อมสมาธิเดิมไว <c oughs> เขาใช่ป่า <c oughs> เอาสมาธิมันเข้าใจแล้วมันดับไปแล้ว เอาสมาธิที่เกิดหลังๆเนี่ยเป็นล้อมสมาธิเก่าไว้ไปทาความเข้าใจให้ขยายขึ้นแล้วก็เพียนเพื่อจะละมิจฉาทิฐิเข้าถึงสมาธิสติตามระลึกเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสมาธิขยายวงของสมาธิให้กว้างขึ้นเราไปเห็นอะไรเป็นสมาธิตอนนั้นกาหนดอะไรถ้าไปกาหนดที่ผมด้วยความเป็นสมาธิได้แล้วก็วิจัยไปเรื่อยๆ แล้วไปลองคิดถึงขนดูที่คิดถึงเล็บโดยที่สมาธิิเดินมันเดิมไหมก็ไข่ควรเป็นเ ล, นเลยๆจนครบอาการสามสิบสองก็จะยังขยายวงของสมาธิิเพียรละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสมาธิฐสติตามลึกละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสมาธิลองคิดดูที่ปัญญาจะลบโพลงขนาดไหนนี่เราเสียดายไปปล่อยทําไมโอกาสดีๆอย่างนี้นาะทีทองนล้วเนี่ยนะ <laughs> จะมาไปทํำไม่นต่เนี่ย แล้วเราจะได้นามรูปป้ปริเหตยานอันนี้ จ, จริงๆนะนอย่าไปละถ้ามันเข้าใจแล้วจะไม่ไปปล่อยมืดกับคืนมาได้ไงหมอเคยเข้าใจไหมแล้ทิ้งไหมอย่างเนี้ยทิ้งอีกแล้วโอว้าตายแล้ว <c oughs> อย่าไปทิ้งน่าเสียดายกว่าจะเข้าใจได้เรียนแทแย่เลยอ <c oughs> ใช่ไหมเอาความเข้าใจเนี่ยกว่าจะเกิดเนี่ยพราะเกิดก็ยากเราไปให้วิ ช, ชาทิฏฐิมาคุมอย่างเดิมอีกทํามา กากลับไปเนะยไปไข่ครวนใหม่ถ้าใครจะมาลอกควนมาอย่ายุ่งอย่ายุ่งน้ำโลภปริเจรตยานกำลังจะเดินก็ใจว่าอันนี้พูดจริงๆนะเนี่ยห่อเกยร์ยุ่งได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยอย่าย่ามาวัดกลับไปขีดวงเลยนะวันนี้เขตพิจารณาน้ำโลภปริเจรตยานเพราะงั้นนะใครอย่ายุ่งนะเพราะงั้นนะก็จริงๆก็คือไปไข่ควนอย่าไหยต้องหลีกเล้นมาตงควนอย่าไหม ต้องหลีกเล่นําความเข้าใจแล้วอย่าปล่อยให้หายไปสิพอความเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะกลับคืนตู่สภาพเดิมอยู่เลยนะอย่าลืมนะนั่นตกล่องเก่าแล้วตกลงไปในเหวคือมิจาาที่ถีกลัวจะปีนขึ้นมาได้โอ้แทบแย่แม้ปีนขึ้นได้โดดลงไปใหม่สิโอ้ยน่าเสียดายแท้ถ้าเป็นอาตมาเนี่ยมาไม่ลงก็ไปเลยใช่ไหมเรียบขยายวงที่รียบขยายใช่ไหมเอาสมาธิถี่ไปล้อมกันไว้เอาสมาวายามาไปล้อมกันไว้เอาสมาสติไปล้อมกันไว้ นี่เราไปปล่อยทิ้งแล้วประมาทใช่ไหมก็ เ, เลยกลับอย่างเดิมอีกแล้วกวดจะได้อีกก็ยากให้ความเข้าใจอย่างนี้เหมือนวันเนี้ยเรียนๆไปแล้วได้ความเข้าใจถ้าไปปล่อยอีกไปมองกลับมาถามาก็หนา อ, อกหนัวใจอีกแล้ว ของจริงๆนะไปเข้าใจอยู่ดีๆแล้วไปทิ้งเธอไปละเธเนี่ยใช่ไหมนั้นไปทําใหม่แล้วอุตส่าห์ทํากันแล้วอย่าโดดกลับลงไปอีกซอแม้เปลี่ยนกนมาจากหลุมที่มันไม่สะอาดมาแล้วแล้วโดดลงไปอีกแล้วโดดลงไปอีกแล้วใช่ไหมมันเป็นอันตรายทําไมอะไรอาวรแล้ก็ก <laughs> ยิงวิจ่าติติีเนี่ยเนี่ยไปอะไรอาวรนมันทําให้เราเสียหายใช่ไหมเ <laughs> อาตรงนี้ทั้งจริงนะ คือคือตรงเนี้ยจะขยายวงได้ก็คือตรงนี้นี่แหละฉะนั้นให้ถือว่าเป็นความสําคัญต่าความเข้าใจต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนพี่คนจะมาบอกให้มาไปสอนวิปัสสนาเนี่ยมันสอนเอาสอนแบบเนี้ยแล้วเขาไม่ค่อยทํากันอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเหนื่อยไหมครับคนสอนเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเขาไม่ยอมไปทํากันก็บอกเข้าใจแล้วเข้าใจเขาจะฟังสูตรใหม่กันไปเรื่อยๆนู่นแหละ <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรหรอก วิ่งหาความรู้กันตาเหลือตารางกันยู่นี่แหละอันนี้เริ่มจริงแล้ว <c oughs> มันไม่ได้อะไรแล้วก็แบกอะไรกันมาก็ไม่รู้ตอนนี้ยยนมันเหมือนอยังไงไหมเหมือนคนเป็นหมอเขาก็ห้ามอยู่ไหมอย่าไปกินในนี้นะมันแสลง <c oughs> กลับมาหน้าบวมตุยกันไหม <c oughs> หมอหลักใจเคยเป็นไหมเคยเป็นหมอมาใช่ไหม หนักใจนะห้ามอะไรเขาก็าไปเห็นแก่อยากเขาเข า, าเขาไม่ละละหลอกกลับมาก็ปล่อยตามใจเบื่อใจก็กลับมาอา้าวหมอก็บ่นมากก็ไม่ได้ใช่ไหมบ่นมากเดี๋ยวเดี๋ยวก็บ่นหมอก็ให้เดี๋ย ว, น, วยนี้แต่จริเข้าใจอย่างเดี๋ยวนี้ยะนั้นจริงๆว่าต้องขยายจริงๆทําความเข้าใจให้เพิ่มขึ้น ก็การฟังก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่ว่าต้องฟังด้วยสมาธิทีเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าคือการฟังพระธรรมเนี่ยดีมากแต่ขอให้ฟังไปเพื่อการขยายสมาธิมากมากขึ้นไปไม่ใช่ไปฟังขึ้นมาแล้วมันเต็มเลยก็ไปในวงในวงเรียนกันไม่รู้สนทนาอะไรกันก็ไม่รู้ไปกันได้เลยไม่รู้ตั้งหลักอะไรกันปายไปทั่วเลยเดี๋ยวนี้สารพัดแล้ว ใช่ไหมไม่ได้เป็นไปเพื่อการขายเกาเลยแล้วกลับมาเอาอี่ลำบากเลยที่ผมมาฟังเรื่องรูปเรื่องน้ํานั่งง่วงอยู่นั่นแหละแต่เนี้ยไม่เข้าใจอยู่ใช่ไหมลำบากเลยนะแต่เนี้ยไปขยายดิไปขยายแล้วเราทําไมจะไม่รู้ใช่ไหมว่าจิตมันตกหรือไม่ตกไรู้ทําไมจะไม่รู้นะตรงเนี้ยสําคัญมากเลยคือเราเวลานั่งสนทนากันแป๊บเดียวก็รู้ถ้าคนที่เขาไขาว่คว้นเป็นปกติของเขาเลยเลยนะ มานั่งคุยแป๊บเดียวถามสองสามคำรู้แล้วนี่ไปไกลแล้วนี่ไปไกลแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นและเพราของแบบเนี้ยมันมันมันยังเอาความแน่นอนไม่ได้ใช่ไหมเพราะเกิดจากความเข้าใจเพียงบางทีผิวเผินมากความผิวเผินตรงนี้ต้องต้องขยายวงเนี่ยตรงนี้ก็ถามว่าการฟังโดยตัวตั ว, ตวไปดีไหมดีกด็ดูด้วยว่าขอให้เป็นไปเพื่อการที่จะละละขัดเก่าวิ่งนะศึกษา พอศึกษาไปเรื่องที่ดีการฟังทำเป็นเรื่องที่ดีแต่แล้วหยุดฟังได้ที่ไหนล่ะบางคนเนี่ยฟังอันเดิมอยู่นั่นแหละคนที่เขาจะขัดเกาได้จริงๆนะบางคนเนี่ยแท็กเดิมเนี่ยนะเรื่องเดิมๆเนี่ยฟังทั้งยี่สิบครั้งเลยมาเลยต่อฟังอยู่นั่นแหละฟังก็เหมือนว่าทําไมทําไมคนฟังแค่พุทธเอกสวดที่เป็นเพลงพุทธคุณอย่างเดียวทําไมได้ศรัทธาทุกครั้งไม่ไม่เบื่อเลย ไม่ใช่เขาฟังแล้วเขาได้ศรัทธาฟังแล้วเขาได้ปัญญา<ม>ใช่ไหมบ้าบางคนเนี่ยฟังเขาฟังซ้ำฟังอะไรอยู่นั่นนะ<ม>เพราะมันอัตถะไงเราไม่เข้าไม่ทื้นมไม่ใช่ว่าอะไรกันบ้างได้ เพราไม่ทําไมต้องสลับบางครั้งเพราะว่าบางครั้งพอไข้ควรไปมากๆมันจะฟุ้งเอ ใ, ใจมันมันจนใจล้าแล้วคิดไม่ออกบางทีมันมืดตื้อนั้นตอนนั้นต้องหยุดบางทีก็ทําจิตให้เป็นสมาธิเพราะว่าพักนะ่ะจิตมันเดินยนล้าแล้วนั้นะพักพอพักจนมีแรงแล้วพอหลังจากที่ว่าไข้ควรท่านอุปมาเหมือนกันการพักลบอ่ะ เอามากินน้ำมาพักผ่อนมาอาบน้ำแล้วก็ค่อยออกลบใหม่คือออกเข้ามาก็ปิดประตูเมืองพักรลบก่อนต้องปิดด้วยนะปิดไม่บาปเข้าด้วยนะแต่ตอนนี้พักรลบปิดประตูเมืองให้ดีเบียเศล้วก็มาพักผ่อนในในสมาธิคือการพักผ่อน การเดินจงกรมก็เป็นเรื่องปกติเมื่อมีเข้าใจเรื่องสมาธิที่เข้าใจเรื่องอียาบทบาปสมชัญยะบาปแล้วเป็นเรื่องง่ายมาเป็นเรื่องง่ายเลยฮะถ้ายังไม่เข้าใจสมชัญยะบาปอียาบทบาปเนะจะเดินยังไงอ่ะอมาถามอ่าถ้าไม่ได้เรียนอียาบทบาปให้ชันชํานานนะหรือสมชัญยะบาปให้ชันนานจะเดินยังไงจะเดินยังไงเว้นไว้แต่อ่าเดินได้เดินจะเดินพุทถคุณเนี้ยได้ เดินเจริญกรรมฐานอื่นได้ไม่เป็นไรไม่ผิดด้วยแต่ไม่ใช่ใช่แล้วจะไปกําหนดได้ไงยาบทเพราะเราไม่ได้หรือฟังไม้เข้าใจอะ่ะเพราะบอกว่าแล้วไงว่าสุตะจะทําเรื่องไรสุตรเรื่องนั้นต้องชัดฟังเรื่องนั้นต้องชัดต้องเข้าใจอะ่ะ เ, <ร>เราก็เดินเจริญกรรมฐานได้ไดกรรมฐานอื่นจเจริญเมตตาก็ได้กรุณามุทิตาเบกขาเป็นต้นได้เท่งนั้นแหละเจริญมรณะนั้นสติยังได้เลยใช่ไหม นจะเจริญได้ทำไมยังไม่ได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกนี่ก็ว่าไปแต่ไม่ใช่จเจริญไม่ได้คําว่าไม่ค่อยสะดวกในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าจะเอาแบบเป็นล่ําเป็นสารจริงๆแล้วเขานั่งเขานั่งแล้วมนสิการประดุดดังว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนศรีรษะเลยเนี่ยใช่ไหมอย่างนั้นแหละก็เรียกพุทธคุณต้องคิดดูที่ว่าทํามนาศิการในใจว่าพระพุทธเจ้าประทับบนศรีรษะของเราก็ารับวงกระหม่อม แล้วเราก็แม่สํมรวมระวังอย่างยิ่งแล้วก็ระลึกถึงคุณของท่านปลาโมดปิติจะเกิดเร็วก็ทำกันอย่างนั้นแต่ถ้าเดินได้ไม่ได้เพราะเป็นสภาตกักรรมฐานอยู่แล้วก็เมตาก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมกรรมฐานที่ที่ที่เหมาะสมเกี่การที่จะสลับได้แล้วก็ทำให้การจิตใจได้พักด้วยได้ได้เกิดปราโมดปิติด้วยได้เกิดความเอื้ออิ่มด้วย แล้วต่อไปก็ใคร่ควรอย่างเงี้ยนะก็ก็เด็กก็ก็มีวิธีการเดินลักษาหนังได้เอาได้เอาเอาที่อัด